อาจารย์ครับศาสตราจารครับผมอาจารย์พรคุณหมอและท่านผู้ชมทุกฝังทุกท่านครับพรอาจารย์ครับวันนี้เลื่อนอคิววันนี้ครับพรอาจารย์ครับตรงวันเลยครับครับก็เลยก็เลยชื่อครับพรอาจารย์ครับเกิดไม่ดีครับแล้วทุกเป็น Long Birthday Happy ม พึ่งรองเมื่อกี้ก็เลยก็เลยตั้งชื่อชื่อตอนตอนนี้สัมพันธ์กันเลยครับอาจารย์ก็คือสุขสันต์วันไม่เกิดเพราะว่าเพราะว่าวันนั้นอยู่นเลยซูมแล้วได้ยินพระอาจารย์พูดว่า happy no birthday ครับอาจารย์ก็เลยขอพระอาจารย์นมรตาโวยพรวันเกิดแบบนี้เลยครับอาจารย์ครับเพราะการไม่เกิดเป็นเป็นการไม่มีความทุกข์นั่นเอง ทุกย่อมมีแต่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นตามใดถ้ายัเกิดอย่างนว่าจะเกิดรวยเกิดใหญ่เกิดโตไงก็ยังทุกทุกอย่เพราะว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่มีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสือ่อมมีการแกร่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมีการตายไปในที่สุดทุกครั้งที่มาเกิดก็ยังต้องเจออย่างนี้ทุกครั้งไป เป็นทุกขษัตว์อริยสัจสี่ข้อแรกเรีว่าวทุกขะชาติทรงแสดงทุกคือการเกิดการแก่การเจ็บาาการตายการท่าพ่พาจากบุคคลหรือสิ่งที่เรารักเราชอบการที่จะต้องเผชิญกับบุคคลหรือสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วก็เราสรุปว่าทุกข์ก็อุปทานในขันหนะ้าอุปทานในขัน ในรูปประคันในเรายึดกันติดกันรักรูปประันรักร่างกายเพราะเราต้องการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเซ็รูปเสียงเก่งลดปวดสะพานนั่นเองอใจเราถูกความอยากการมั่นหมายครอบองำอยากหาความสุขจากรูปเสียงเก่งลดปวดสะพา น, นชนิดตา่างๆ ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้การมถาทานฮะแทบจะว่าทํางานได้ทั้งทั้งวันทุกวันเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวก็อยากกันเดิมเดี๋ยวก็อยากจะรับประทานอะไรของวันไปอยู่เรื่อยๆเพราะไม่รู้ความจริงว่าความสุขแบบนี้มันเป็นความทุกข์ซ่อนอยู่ มันมีความทุกซ่อนอยู่ไม่วจะว่าเป็นเป็นความสุขปรอมที่ที่ที่ร่วมพอความทุกข์เป็นความสุขแบบน้ำตาลเครืองยาขมสุขหนึ่เดีย ว, ยวสุขขณะที่ได้เสพได้สัมผัสพอไม่ได้เสพได้สัมผัสก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเมือนยาเสพติด ยาเสพติดเวลาได้เสพต้องมีความสุขเวลาไม่ได้เสเพก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็าจลยจำเป็นที่จะต้องมีร่างกายอยู่เรื่อยๆก็การที่จะทําให้ความอยากหายไปไม่ได้เกิดจากการทําตามความอยากยิ่งทําตามความอยากยิ่งติดยิ่งอยากมากขึ้นได้คดือปฏิอยากได้สอบ ไปเที่ยวครั้นี้ล่าเดี๋ยวอยากจะไปเที่ยวอีกมีที่ใหม่รออยู่แล้วในใจแต่ที้ว่าพอคอมันไ ม, ม, นไม่มันไม่พอหรอกอได้อะไรมาแล้วมันไม่เคยคำนิคคำว่าพอได้หนึ่งก็อยากได้เป็นสองอยากได้สองเป็นสามดูมาฮัสเตีิซาอูมีรถเป็นร้อยคันแล้วรู้หละรถมันเป็นร้อยคันมีเงินจะทำไงมีเงินเก็บไว้เฉยๆมันก็ มันก็ร้อนในกระเป๋าเพราะความอยากได้ของต่างๆคิดว่าได้รถคันหนึ่งคันใหม่แล้วจะมีความสุขก็ขสุขเดียเด๋ย ว, วเดียวพราวเดี๋ยวก็เห็นรถคันใหม่รุ่นใหม่กว่า น, นี้ออกมาก็อยากจะได้แล้วก็มาเป็นภาระที่ต้องคอยดูแลรักษาสร้างโรงรถเป็นโกดังเก็บรถเลยโกดังใหญ่โตโมโหมอนโบราแล้ว ได้นั่งไปไห้ า, าๆๆมากกว่าเมื่อก่อนนี้ที่กลยวัดมีโรงแรมีโรงแรมโรงแรมระดับหลายดาวับเจ้าของก็มีรถราคาแพงๆรถเมน ล, ลี่รถะอะไรพวกนี้แต่ตัวเองไม่มีเวลาขับจอดที่ไม้ก็ไม่ได้เลยให้คนขับมันขับจลุกน้อง เดือนหนึ่งต้องเอาเอามาวิ่งทีลูกน้องนี่ก็เป็นคนชอบทำบุญคือขาบรถขึ้นไปบนเขาไปทำบุญบนเขาถวายน้ำปันน้ำให้ข้าวภาพบนเขาก็ถามว่าโอ้คุณรวยขนาดนี้เลยขับรถเราไม่ใช่เราไมเอาผมของเจ้านายเ <laughs> จ้านายหว่านท้าอารถออกมาวิ่งหาดที่ว่านล้เดี๋ยวมันจะเสีย มันได้ความสุขเดียวๆความสุขที่โอ๊ยได้ซื้อรถมาแล้วเป็นมีความภูมิใจความภูมิใจอแล้วจากนั้นแล้วมันก็รู้สึกเฉยๆต้องซื้อคันใหม่ถึงจะมีความรู้สึกแบบแบบเดียวกันครับที่ตอนซื้อรถคันเก่ารถคันเก่าไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบรถคันใหม่นะ แลว้วรถคันใหม่ที่ได้มาก็มันก็ไม่ให้ความรู้สึกแบบรถที่จะไปคันใหม่นะเพราะพอมันเป็นคันเก่ามันรู้สึกเฉยเฉยพอมันชินชาทำมาแล้วมันก็รู้สึกเฉยเฉยแต่มันก็เป็นภาระอยา่างมีความผูกพันมันอยู่แล้วถ้าเกิดมันหายไปนีก่ก็ทุกข์ก็ทุกนีเยทุกข์เราะขาสูญเสียนี่เป็นการวิ่งเข้าหาทุกข์โดยไม่รู้ตัวเพราะไม่มีปัญญาคิดคิดไม่เป็น คิดจะเห็นว่าเป็นสุขก็ได้มาแล้วมีความสุขเทอนั่งว่าไปไหนมาลายคนมองแนละ้ว oh, โอ้อิจฉาอันนี้แต่มันมันมีความทุกข์โดยที่เราไม่รู้สึกตัวพ่ามันไม่มีความพอได้คันหนึ่งแล้วก็ไม่พอต้องได้อีคันหนึ่งถ้าเกิดอยากได้แล้วเวลาไม่มีเงินเซฟก็ทุกข์่ะ นี่ก็คือเรื่องของตัวอย่างของการที่เราไปมีความอยากในรูปเสียงกินลดแล้วความอยากนี่มันตอบสนองมันเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วก็ต้องใช้ร่างกายมันเครื่องมืออันดับแรกถ้าจะได้ร่างกายแล้วยังไม่พอในร่างกายเกิดมาเป็นคนจนก็ไม่สามารถที่จะไปซื้อรูปเสียงกินรดพัวท่าแบบพิสดารแบบ รู้หลาแบบละเอียดไดต้ต้องเป็นคนโดยนะต้องมีเงินอีกต้องหาเงินเงินอีกเ้าไม่ไดาเกิดเนิกองเงินกองทองก็ต้องหาเงิ น, ก, ก, น, ง น, งงนกันอย่างมอก็ต้เรียนหนังสือก่อนไม่ได้กันมาเป็นครอบครัวหมาเศรษฐีทดเราไปเรียนหนังสือพยายามเรียนเรียนหนังสือให้จบจบเป็นแพทย์มาทํางานมีไรายได้ทีนี้มีไรายได้ทีนี้ก็ ทำ เ, เงินไปซื้อความสุขต่างๆได้นั่นเป็นการทุกข์ทั้งนั้นการหาเงินมันทุกขที่ไหนเหนื่อยอะการเล่นทุงสือมันทุกขที่ไหนมันทุกอย่างมันเป็นเรื่องของความทุกข์แต่มองไม่เห็นเนะพราะมองเป้าที่ความสุขคือผลที่เราจะได้รับวโอยเราจะได้เงินเดือนเราจะได้งานดีได้เงินเดือนเนีเอาเงินไปซื้อความสุขต่างๆได้ไปเที่ยวได้ไปอะไรต่างๆ แต่หารู้แมว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่พอต้องที่หล่นหาไปเรื่อยๆหยุดไม่ได้เแล้วถ้าเกิดไปเจออุปสรรคบางช่วงเช่นช่ว ง, ว ง, วง ม, COVID, ม, มีโควิดมีโรคระบาดการหาเงินก็ชะ ง, งักไปพวกที่เคยมีรายได้ก็นํำมาทันทีรายได้มันมันหยุดแต่รายจ่ายมันไม่หยุดใช่ไหมมันเคยจ่ายเงมันไม่เคยใช้วันเท่าไหร่มันก็ยึดนิสัยต้องใช้วันเท่านั้นไป แล้ยไปจ่ายล่องหน้าขอนแล้วคือไปพอซื้อของรายการผ่อนเลยฮะคือเรารยจ่ายมไม่หยุดนรายได้มันหยุดนี่ตอนนั้นเราปวดหัวแล้วเครียดบางทีก็จำเป็นจะต้องยอมไม่เขายึดซับไปยึดของที่ซื้อมาไปเราไม่มีเงินจ่ายไม่มีเงินผ่อนจ่ายผ่อนเขาแล้วมันสกปรกที่ไหนมันทุกข์นะทั้งที่ เกิดมาก็ไม่มีอะไรติดตัวมาก็อยู่ได้ตอนเป็นเด็กก็ไม่มีอะไรก็มีข้าวกินวันๆก็พอแนละ้วมีค่าขนมันแล้วไม่กี่บาทไปโรงเรียนนก็อยู่ได้แต่พอมีรายได้ขึ้นมาเนี่ยความอยากมันโผอ่มาหลายๆอย่างเลยอยากซื้อของรูหราของราคาถูกๆใช้ไม่ได้นะเสื้อผ้าธรรมดาใส่ไม่ได้ต้องใส่ราคาแพงๆนั้นที่มันก็เป็นเสื้อผ้า เหมือนกันทำหน้าที่กันเดียวกันเสื้อผ้าที่ซื้อตามตลาดนัดกับเสื้อผ้าที่ไปซื้อตามห้างมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันไม่ปกปิดร่างกายแต่ราคามันโอต่างกันผ้ากัเป็นเนี่ยพอมีเงินปังเงินความอยากจะซื้อของที่มีเงินที่จะตามมาเคยกินของถูกๆความีเงินเยอะ กินของถูกไม่ได้ต้องกินของแพงแต่ทั้งที่มันก็กินแล้วก็อิ่มเหมือนกันทำหน้าที่เดียวกันได้อันนี้เพราะไม่ไม่มีปัญญาเลยเนะี่ถูกความไม่อยากครอบงาความโง่ความอยากครอบงำที่ว่าความสุขที่การได้ได้เสกรียบสิยงกินลดอันปาณีตอนันหรรษาเพราะหาเสกยากไงใช่ไหม กินอาหารเมื่อละเมื่อเมื่อละแสนนี่มั น, ม น, ม น, ม น, มนหากินยากต้องหาที่กิน <c oughs> นะตามรงแรมต่างๆเขาจัดให้รู้ลาให้เห็นว่าโอ้ไม่กินแล้วแบบมันได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็น <c oughs> นะบางท์อาหารมันก็มาจากตลาดอัเดียวกับที่เขาขายตามข้างถนนนี่ไงหมูเห็ด ไ, ไก่ไก่เขาไปซื้อที่ตลาดเดียวกันนันะ แต่ว่ามามาแล้วเอามาจับมาขายมาทำทาให้มันดูพิสดารหน่อยก็อะไรหลงไหลคลั่งใคล้กันแต่อันนี้อำนาจของความขาดปัญญาถูกความอยากครอบํำแล้วก็หลอกให้หาคราบสุขแบบนี้ไปแล้วก็ต้องไปทุกกับการดิ้นรนหาหาเงินหาทองหาสิ่งต่างๆที่จะมาตอบสนองความอยากแล้วถ้าเกิดสะดุดขึ้นมาก็ทุกข์ บางคนเวลานมละลายนี่บางทีค่าตัวตายกันเลยนะไม่รู้จะอยู่ไปยังไงก็อยู่แบบใช้เงินวันลหลายหลายตังเพราะไม่มีเงินใช้มันก็ไม่มีความสุขทั้งที่ขอทานกลาวันเนึ่ยเขไม่มีเงินใช้แล้วเขาก็อยู่ของเขาได้เพราะมันได้ใช้เงินแบบเศรษฐีเขาก็อยู่ก็อย่างสุขอย่างสบายได้แต่พอใครใช้เงินแบบเศรษฐีแล้วต้องมาอยู่แบบขอทานนี่มันอยู่ไม่ได้ะ อันนี้แหะคือทุกต่างๆที่ตามมาจากการมีปัญหาความอยากการ ม, มาตัญหาโดยเฉพาะแล้วก็เวลาร่างกายเป็นอะไรไปก็ทุกข์ไปเลยตาหูจมูกนิ่งกายพิการหูไม่ดีตามไม่ดีก็หาความสักดิ์ิที่กายหาไม่ได้เราเจ็บไข้ได้ปวยแล้วในทะี่สุดก็ต้องตายไปตายไปก็ไม่เขียเพราะความอยากที่อยู่ในใจไม่ได้ตายเลยกับหน้ากาย มันก็ผลักดันร่างกายให้ไปหาร่างกายใหม่แล้วก่อนที่จะไปได้ร่างกายใหม่ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาป ท, ที่ได้ทําไปจากการที่เราหาเงินหาทองหาอะไรต่างๆซึ่งถ้าบางครั้งบางคราวถ้าหาโดวยวิธีสุจริตไปได้ก็อาจจะไปหาวิธีทุจริตกันวิธีทําบาปกันให้ได้สิ่งที่อยากได้มาให้ได้ทําในสิ่งที่อยากทํา ก็เลยไปสร้างบาปขึ้นมาใน ใ, ใจที่เราไม่ชดใช้ต่อเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแทนนิยาได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยก็ต้องไปใช้บาป ก, ก่อนบาปมันจะไปเป็นเปลืเป็นสัตว์ร่ากายเป็นนรกนึกเป็นเดนรัจฉานจนกว่าบาปนั้นจะหมดกําลังลงถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าไม่ทําบาปเลยถ้าทํ า, าอาชีพเลือซื้อสัตย์สุจริต ตายไปก็กลับมากเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยไม่ต้องไปใช้บาปแะถ้าไปทําบุญก็ได้ไปรับรางวัลก่อนถ้าได้ทาบุญไม่ทําบาปรักษาสีหน้าได้แล้วก็ทําบุญอย่างสลําเสมอตายไปก็ไปรับรางวัลไปไปเที่ยวในโลกทิพย์เนี่ยสวรรค์ก็คือโลกทิพย์สวรรค์ก็คือที่เที่ยว ท, ท, ที่ท้องเที่ยวในโลกทิพย์นั่นเองไปเสีงรูปเสียงกินรถทิพย์กันหวังว่า ันว่าได้ไปเที่ยวที่นั่นได้กินได้นั่นได้ดูว่นั่นอะไันจะเป็นรางวันลพอบุญหมดค่อยลกลับมาเกิดใหม่มาได้นางกายหม่ถ้า่างกายใหม่ก็ต้องมาดิ้นรนตั้งแต่มันเกิดหายใจออกมาจากท้างแม่ก็ต้องหายใจหิวน้ำก็ร้องหิวข้าวก็ร้องทุกข์ไปตั้งแต่ก่อนเกิดจนไปถึงวันตายแล้วก็ตายรอบใหม่เนี้ย กาเรียนไหว้าตายเกิดอย่างนี้สังสารวัตรไม่มีวันสิ้นสุดจนกาจะเจอหน้าปราดอย่างภพเจ้าที่ค้นพบสาเหตุของการเกิดมันมาจากความอยากอย่างในรูปเสียงกลิ่นรดอย่ากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นต้องตัดความอยากเหล่ า, านี้ด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนา ถ้าเป็นผู้ยังคลองเดือนอยู่ยังไม่ได้บวชก็ต้องทําทานต้องสละทรัพย์ให้หมดก่อนถึงจะไปอยู่แบบนั่งบวชได้ไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ได้เพราะถ้าจะอยู่แบบคารวะเราวหวังจะบรรลุมรรคผลนิพพานานี่คงจะยากเพราะคารวะยังมีภารกิจที่ต้องทําเกี่ยวกับการหาเงินหาทองการใช้เงินใช้ทองอยู่อันนี้สลับส่วนใหญ่ยกเว้นถ้าเป็นคาร กรณีพิเศษเป็นคนที่ไม่ทราบหรือเพื่อแล้วก็มีธรรมะไม่ใช้ทรัพย์ไปในทางบิเลตทรัพย์มาสนับสนุนในการปฏิบัติอันนี้ก็อาจจะสามารถอยู่เป็นแบบนักบวชเป็นนักบวชได้โดยที่ไม่ต้องบวชนอกนั้นแล้วก็ต้องต้องไปบวยกันจะไปบวชกาต้องตัดการหาความสุขด้วยการใช้เงินทอง ในใบบัวถ้ายังเป็นคาราว่านยังใช้เงินทาวหาความสุขอยู่ก็น้ำมดทําเงินที่จะใช้ซื้อความสุขนี้ไปซื้อความสุขอีกแบบหนึ่งคือความสุขที่ที่เป็นความสุขแท้ ท, ที่ทําให้ใจสงบที่ทําให้ใจมีความสุขก็คือการทําทานทำบุญทำทานแล้วก็จะทําให้เกิดความหิวอยากที่จะใช้เงินซื้อความสุขชนิดเดิม น, น้อยลงไปเบาลงไป แล้วก็จะทําให้มีความสามารถที่จะไปอยู่แบบนักปวชได้เมื่อไม่มีความอยากที่จะซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายก็ไปถือสิงแปลไปอยู่แบบนักปวชได้จะได้ปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มทีท่รักษาสิ่ปฏิบัติสมาธิปัญญาก็จะสามารถละความอยากทั้งสามได้ะความอยากทั้งสามได้หมดภายจากใจก็ สิ้นสุดการมเกิดเหตุที่จะพาให้มาเกิดกขหมกไปไม่ต้องเกิดอีงต่อไปชวสวยวิมุมติสุปเนี่ยวันที่พรุเจ้าบันลตาาุตัตสโรนะวันที่ทําให้ใจหยุดเกิดวันที่ทําให้ไม่มีการเกิดในใจของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอะไรสวยความสุขบรลล ม, มสุขวิมุมติสุขความสุขที่เกิดจากการได้หลุดพ้น จากการที่จะต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างไม่มีวันสิ้นสุดครับอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์ครับงันยามาเกิดเลยไม่ดีครับถ้าเราทุกทุกมาหลายรูปแบบด้วยกันในทุกวันนี้คนในโลกนี้ไม่ใช่สุขนะที่วิ่งกันไปวิ่งกันมาเล่นรนกันไปนี้ความทุกข์กันด้วยมีความทุกขไปหาครับวิ่งวิ่งหนีความทุกขวิ่งหาความสุขกัน วิ along, ่งมาตั้งแต่เกิดจนตายก็วิ่งก็ไม่ก็ไม่ก็หนีไม่พ้นความทุกข์มันก็ตามมาอยู่เลยความสุขที่วิ่งตามมันจับมันไม่ได้ทันทีจับได้ปัมันก็หลุดมือไปได้มาปั๊บอ่ะหลุดไปนะซื้อของมาปั๊บได้ความสุขจากการซื้อของมาปั๊บเดียวเอาหายไปแล้วต้องไปซื้อใหม่นะไม่มีมันสิ้นสุดนี่คือลักษณะของความสุขทางทางว่าความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายแบบนี้ เหมือนการวิ่งตะคุบเงาครับตามไม่ทันเงามันทอดไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เราอยากได้มันรอเราอยู่ข้างหน้าตลอดเลยละสิ่งที่เราได้มาแล้วมันไม่มีความหมายนะสิ่งที่มีความหมายคือสิ่งที่เรายังไม่ได้กันมันก็ไม่เคยสังเกตว่าด้มาแล้วมันก็ไม่มีความหมายแล้วก็เอามันทํา ร่อนคันเก่าซื้อมาแล้วมันไม่มีความหมายเห็นร่นคันใหม่โอ้อยากได้คันใหม่นะเราไม่คิดว่าในคันใหม่เดียวเันต้องการเปคันเก่าเพราะคันเก่าที่เราได้มันก็เหมือนก็ตอนที่เราได้มาใหม่ๆแล้วก็มีความสุขในใจกับมันนครับไม่คิดกันเลยเรื่องเรื่องงานนุทิจ้างเรื่องของอะไรนี้คิดไม่เป็นอย่างงงกันหรือแก้งโง่กันไม่รู้นะ ครัอาจารย์ขอบพระคุณครับเป็นเป็นพรมันเกิดที่สมบูรณ์แบ บ, บครับ <c ười> แต่ว่าผมก็คงจะได้ค่อยๆเดินตามพระอาจารย์ไปครับแต่ว่าก็คงต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงนะครับพระอาจารย์ครับออย่างประมาณนะี้น้ำขึ้นเรีบตัา <c ười> วันดีคืนดีน้ามันน้ามันลดขึ้นมารุปพัวพาดก็ได้รับ ข, ข, <c ười> ขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ เดี๋ยวขอโอกาสถามคำถามจากเพื่อนๆได้นะครับจากคุณจีรัฐิวัตรครับเรียนถามพระอาจารย์มีคนกินเหล้าแล้วรับสีห์ห้าแล้วบอกว่าเขามิสิทธิ์เป็นโสดาบันอันนี้สงสัยมากค่ะไม่ตาตอบด้วยนะคะว่าเขาเข า, เขากินเหล้าครับอคนเราจะพูดอะไรก็พูดได้ทั้นั้นน่ะแต่มันเป็นไปได้หรือเปล่ามันก็อีกเรื่องหนึ่งคนบอวผมงอมือ ง, งอเท้าแต่ผมจะเป็นเศรษฐีี่ยมันก็พูดได้ความเป็นจริงมันเป็นได้หรือเปล่า ใช่ไหมเป็นไปไม่ได้เราคนที่ไม่ปฏิบัติทําไม่ละไม่ถือศีลจะไปนั่งสมาธิได้อย่างไงสมาธินี่ต้องถ้าไปกินข้าวเามาแล้วมันจะไปฝึกสติได้งไงการเนื่มเฒ่ามันก็ทําให้ไม่มีสติใช่ไหมขนาดขับรถยังขับไม่ได้ไ เ, ดเลยเหนื่มเฒ่าแล้วเมาแล้วขับแล้วจะให้เป็นเดินจงกรมนั่งสมาธิพุโทโธได้อย่างไง อนาคนที่ไม่คนที่มีสติสมบูรณ์ไม่มกินเล้ายังควบคุมใจยากเลยพูดโถยากหยุดใจไมหมเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็พูดไปตามภาษาแบบคนขอทานบอกผมจะเป็นเศรษฐีพรุ่งนี้ผมนั่งอ๋อทานวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำให้ผมเป็นเศรษฐีมันเป็นไปได้หรอือเปล่าตามความเป็นจริงมันเป็นไม่ได้หรอกแต่มันพูดได้ใครๆก็พูดได้คําพูดมันไม่มันไม่ใช่เป็นตัวศักดิ์สิทธิ์ตัวที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือการกระทำ อาจารย์ครับมีคนพูดถึงบ้างไฟพยานาก็เลยสงสัยเหมือนกันครับอาจารย์บัางไฟพญานานี่เราก็ไม่รู้ด้วยเราไม่เคยสนใจเราไม่รู้จะตอบยังไงเพราะไม่ได้ศึกษายังไงก็จะมีพยานาคโผล่ขึ้นมาในแม่น้ำโขงหรืออะไรอย่างเงี้ยเห็นเห็นก็ไม่มีใครเอาจับตัวมาให้พิสูจน์ได้เห็นกันชัดชัดทันทีแบบผีเนี่ยเห็นแวบๆแวบๆแล้วก็หายไปแล้วก็บอกโอ้เห็นผีแล้วเป็นผีหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ จำมาดูสักตัวสยสมัยน <c oughs> ี้เรายุคยุคเทคโนโลยีส่งยาในโอากาศไปไปชนกับอปชนกับอะไรนอนุภหินที่มันลอยอยู่ในอากาศโอกาสบาทยังสง่งขึ้นไปทำได้แล้วจับห้ตัวพยานาคแคนให้จบไม่ ไ, ได้ด้ไงครับ <c oughs> มันไม่มีหรอกถ้ามันมีมันนอามากทสูตรดกันให้เห็นกันต้องนานนานนมแล้วมันเป็นเป็นเรื่อง ตำลาเรื่องเป็นเรื่องการนําเลยกันไปแล้วก็เชื่อกันไปอไปาจารย์ครับภาษาอังกฤษครับผม Wisdom kindness love okay I practice d h a m m a and keep five precepts ผมปฏิบัติธรรมและรักษาสี่ห้า When you are standing still and have to wait how can I keep mindful and prevent my eyes from going to people around me เวลาที่ต้องยืนเข้าคิวเราจะทำไงให้มีสติโดยที่ไม่ให้ใจไม่ให้ให้ให้ตาสายตาสองไปดูคนว่าข้าดิสต์เพื่อเว้ t ดิส t รักเพื่อที่จะไม่ให้ทำยางไงเพื่อที่จะทำให้เรามีสติไม่ใจไม่ลอยไปที่อื่นก็ท่องพุทโธไปสิ you have to use the mantra recite the mantra พุทโธพุทโธ Don't, don't look at other people or Just concentrate on on residing mentally. Puto puto. ก็ยืนบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลายืนเเขียเวมานั่งรถติดเนี่ยก็พุทโธพุทโธไปหลับตาได้ก็หลับตาเดี๋ยวยิรู้สึกว่ารถติดนิ้วเดียวท่านั้ปั๊บเดียวไปได้ะเาใจไม่ไปมีความอยากให้มันไปความอยากที่ให้รถมันวิ่งเนี่ยมันทให้ใจมันร้อน แล้วมันทำให้รู้สึกว่าเวลานาทีหนึ่งมันยาวเป็นชั่วโมงขึ้นมาเพราะทุกความอยากแต่ถ้าเราไม่ไปนสนใจกับเรื่องรถติดเรื่องยืนรอคิวไปไปใใแล้วก็พูดทัวรพูดทัวรไปภายใจแป๊บเดียวถึงคิวแล้ว Yes so you have to recite mentally recite a mantra such as the word buto buto buto when you stand in line and don't want to be distracted Just keep reciting Butoh t Butoh and look down. Don't look around. Look at your feet or something like that. Then you will not be distracted, and you'll find that it doesn't take too much time for you to wait. คุณเปียร์ลัดครับสอบถามเรื่องการเข้าสมาธิครับพอนั่งสมาธิไปสักพักปากจะอ้าเอง แล้วสักพักก็จะปิดลงมาเองเกิดจากการที่เราไม่มีสติหรือเป็นอาการทางกายแบบหนึ่งหรือคะไม่มีสติทางหนึ่งถ้านะไม่มีสติแล้วเดี๋ยวก็ร่างกายจิตมันก็ไปทําให้ร่างกายขยับนู่นขยับนี่ได้ต้องฝึกสติให้มากๆคุณจอยครับถ้าการการุณยฆ่ า, าเป็นการฆ่าตัวตายคนที่ทําหน้าที่ให้คนไข้าตายบาปด้วยไหมคะ อ่าไปทำให้เขาตายก็บาปคนที่สั่งให้เขาทำก็บาป ท, ทำเองก็ดีสั่งให้พูดทำให้ก็ดีก็บาปวยการทำพูดหรือไปรานอาหารที่มีปลาสดๆอ่า้อยู่ในอาา่างแล้วก็ชี้เอาตัวนี้นะไม่ได้ค่าแต่สั่งก็ค่าก็บาปคนฆ่าคนที่รับคำสั่งก็บาปเท่ากัน ทำเองก็ดีสั่งให้คนอื่นก็ทําให้กันดีก็กือว่าเป็นบาปท่บเทียมกันคุณบัวครับการนั่งสมาธิทําไมถึงบอกว่าได้บุญมากคะซึ่งเวลานั่งสมาธิเราไม่ควรคิดว่าได้บุญมากอย่างนั้นใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกคือบุญนี้แปลว่าความสุขใจความสุขใจมีหลายระดับเหมือนกับธนบัตรมีหลาย หลายขนาดขนาดยี่สิบห้าสิบร้อยห้าร้อยพันความสุขใจก็มีหลายระดับระดับทำมลทำทานก็ระดับระดับต่ำระดับที่สูงขึ้นในกรณีการรักษาศีนสูงกว่านั้นก็คือการนั่งสมาธิทําใจให้สงบสูงกว่านั้นก็การเจริญปัญญาทําให้มีดวงตายเห็นธรรมให้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขัน้นต่างๆ อันนั้นก็เป็นความสุขที่มากที่สุดอันนี้ก็คือบุญชนิดต่างๆัคุณทัศครับการธนพิสการพระอาจารย์คะตอนนั่งสมาธิบริกรรมไปอย่างเดียวแล้วสติหลุดไปดูเรื่องอื่นเรื่อยๆไม่สงบเลยกำหนดภ้าพระพุทธด้วยแบบนี้ถูกต้องไหมคะทำไมไม่กลับมาที่คำบริกรรมคุณปล่อยให้คำบริกรรมหายเอง ก็บริกรรมไปได้มันจะไปหายได้ไงถ้าคุณมีสติคอยดูพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเท่านั้นเอแต่คุณพุโทโธได้สองคำไปคิดเรื่องหนงมันก็นั่งนี้นั่งไปจําวันตายก็ไม่มีมาที่จะสนุกได้ไม่ต้องไปกับกำหนดอาพระพุทธลูกเอาแค่คําว่าพุโทโธคำเดียวอย่างเดียวก็ยากพอทำกัวแล้วไปเอาสองอย่างสาอย่างเนี่ยมันยิ่งยากขึ้นมาใหญ่เนี่ยทาแบบง่ายๆดีกว่า นอกจากว่าเรามีความสามารถที่จะกําหนดภาพขึ้นมาได้ก็ต้องให้กําหนดภาพนั้นอยู่ในใจตลอดเวลาคุณแม็กซ์ครับคนที่ถึงโซดาบันแล้วความเพียรปฏิบัติจะมาโดยอัตโนมัติไหมครับยังต้องมีครูอาจารย์คอยบอกให้ถูกทางต่ออีกไหมครับอ๋อมันมาโดยอัตโนมัตินะเพยงแต่ว่ามันช้าเร็วอยู่ที่ว่า มีคนคอยบอกหรือไม่ถ้าไม่มีก็จะยังต้องทำถามต้องลองผิดลองถูกไปแต่ไม่หลุนทางนะรู้ว่าทานี้คือเพียแต่ว่าวิธีจะแก้ปัญหานี่มันอาจจะต้องใช้เวลาคิดหน่อยแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาแล้วบอกให้เวลาเกิดปัญหาขึ้นมามันก็จะแก้ได้ง่ายและเร็วกว่าที่จะต้องมาลองผิดลองถูกูในวิธีการแก้ปัญหา การทุกข์ที่ยั ง, งเหลืออยู่ในใจนั้นคือปัญหาครับอย่างที่หลวงตาติดอยู่พักหนึ่งเลยใช่ไหมครับอาจารย์ที่ท่านติดตอนที่ท่านอยู่ขั้นสุดท้ายแล้วท่านไปติดที่จิตสว่างจิตสว่างสวายท่านก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้เป็นอะไรท่านก็อาจจะคิดว่าเป็นนิพพานหรือเปล่าเพราะจิตไม่ได้สว่างสวาสวยอาศัศจรรย์อย่างนี้ แต่ก็มีปัญนหนาธรรมปรากฏว่าว่าถ้ายังมีจุดและมีต่อมอยู่ตรงไหนอันนั้นคือพบชาท่านก็งงไ ม, ม่รู้วไอ้ไอ้ ท, ที่ปรากฏขึ้นมาบอกท่านนี่เป็นเป็นอะไรไอ้ที่เป็นจุดเป็นต่อมนี่คืออะไรดังกาท่านจะพิจารณาได้ต้องสามเหลื่ยมเต็บอก ในสักการะไอตัวสว่างนี่แหละเป็นตัวจุดตัวตอบเป็นตัวที่ยังกาะพบก่อชาติได้เป็นตัววิชาอนการในที่สุดท่านก็ตัดกันได้ป้อนกันได้ทำลายมันได้ด้วยปัญญาแลวก็จิตึองท่านก็หลุดพ้นแต่ท่านบอกว่าถ้าท่านไปกราบเรียนท่านหลวงปู่มั่นท่านยังอยู่ อนนีน้งปู่มันท่านเพิงเสียไปได้ไม่กี่เดืนอนถวท่าท่านนกปู่มั่นยังอยู่แล้วประกาศเล่าให้ท่านฟังถึงสภาพจิตของตอนที่เป็นอยู่ในตอนนั้นและให้ปริศนาธรรมที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยน้องปู่ก็จะได้ชี้บอกได้อย่างอย่างอย่างรวดเลยว่าตัวนี้ไงตัวที่สว่างสว่างนี่นะ mm hmm. อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปที่ว่ามันของวิเศษ ามันเป็นตากแลมันยังมีการเจริญในการเสื่อมอยู่คืออย่างถ้าเราไม่สังเกตเราอาจจะไม่เห็นไม่รู้อันนี้ก็ถ้ามีครูบาอาจารย์นมันก็จะง่ายจะคอยบอกเป้าต่อไปพอเป็นโซดาบันพัพก็เป้าต่อไปก็สุภะอะไรใสุภะเนี่ยจะนัาํ า, า ก, ก, ำกำจัดการมลภาคะให้ได้อย่างนั้นก็เข้าไปในจิต จัดการกับสมโยชน์ตัว่นต่อไปคุณมิลินครั บ, ก, บการเป็ัสดการพระอาจารย์ค่ะถ้าหลงยึดติดร่างกายของตัวเองว่าเป็นตัวเราของเราให้พิจารณาไตรลักษณ์หลงยึดติดร่างกายของคนอื่นให้พิจารณาอสุภะพิจารณาอยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไม่สวยไม่งามเจ้าคะ่ะ ปฏิบัติตามคำสอนของพระอาจารย์ในเรื่องการมาตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาไม่ให้มีความอยากทําให้ไม่ได้มีความปรารถนาในทางร่างกายเจ้าค่ะแต่กลับมีความรักความปรารถนาดีต่อจิตของผู้อื่นเพราะเห็นว่าจิตดวงนั้นมีความดีมีศีลมีธรรมไปชื่นชมไปนิยมชม ช, มชอบที่ตัวจิตของเขาขอพระอาจารย์ก็ไม่เสียหายตรงไหนแล้วก็ชื่นชมยินดีในสิ่งในจิตของพระพุทธเจ้าในจิตของบ้านหลัง ก็เป็นจิตที่สะอาดบริสุทเป็นจิตที่เราปรารถนาเป็นกันแบบนี้มันไม่เป็นมันไม่เป็นมันไม่เป็นตัณหามันไม่เป็นตัวที่จะทําให้เราไปยึดไปติดในทุกข์กับมันเปนพียงแต่ความชื่นชมยินเย็นในความความดีงามของจิตที่สะอาดบริสุดชื่นชมเนพระพระบารมีของพระพุทธเจ้าของพระสาวกทั้งหลายนี่ไม่ได้เป็นเป็นความอยาดไม่ได้เป็นเป็นตัณหา ที่จะทำให้ไปไปทํางาน ย, ยินดีแล้วจิตเขาแล้วไปครอบครองเขาหรืไปเอาเข้ามาเป็นเป็นเป็นสมบัติของเราเลแล้วก็ไม่ใช่ให้เราเพ่งแต่ชื่นชมยินดีเมืนกาลเวลาที่เราเห็นคนอื่นที่เขาทำความดีแล้วก็ชื่นชมยินดีกับเขาเท่านั้นเองก็ใช้เราไม่ได้มีไปมีการเวลาไปไปเกี่ยวข้องเขาแต่ไปการส่วนตัว ไม่ได้ไปทุกข์กับเขาเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เป็นเขาตายไปถ้าไปทุกข์กับเขาเรื่องนั้นถึงก็งเรียกว่าไปไปมีอุปทานไปยึดในขันเขาละไปยึดในตัวเขาละแต่ถ้าเราไม่ไปมีความยินดีร้ยายกับเขาเลยนะชื่นชมยินดีตามสภาพความเป็นจริงของเขาเนี่ยก็ไม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เสายายียอะไรตรงไหส่วนการพิจารณาร่างกายนี่บอกว่าพิจารณาตายรักของของเรา ช่วยพิจารณาสุภาษของคนอื่นนี่ก็ไม่ถูก น, นะคือตายแล้วก็ต้องพิจารณาทั้นของเราและของคนอื่นให้เห็นว่าเขาก็ตายแก่เจยบตายเหมือ น, นเร า, าแล้วก็แก่เจยบตายแล้วก็ให้พิจารณาสุภาษทั้งของเขาทั้งของเราเช่นเดียวกันของเรามันก็ไม่สวยไม่งามเพื่อแก้ความหลในความสวยใความงามในตัวของเราด้วยบางคนรักสวยรักงามของตัวเองใช่ไหมคอยทําสัญญกรรมค่อยตกแต่งทา นทำฟันทำตาทำหูทำอะไรต่างๆอันนี้ก็พราความไม่เห็นอสุรภาความไม่สวยงามความสาามบูรณในร่างกายของตนเองก็เป็นหลงไหลกับความสวยความงามของร่างกายของตนแล้วก็เป็นหลงใหลกับความสวยความงามของคนอื่นด้วยอยากจะได้เขามาเป็นคู่ครองก็ต้องพิจารณาทั้งเขาทั้งเราไม่ใช่ยากเฉพาะายรากของเราแล้วอสุรภาของคนอื่น เมือนต้องทั้งการพิจารณากายในทั้งของเราและของผู้อื่นพระอาจารครับในขั้นพระโสดาบันนี้ที่ละสักกายทิฐิเนี่ยคือละในส่วนของตัวเองได้แล้วแต่ในส่วนของคนอื่นด้วยกับของคนอื่นด้วยร่างกายของเขาของเราเหมือนกันน่ร่างกายของเราต้องตายร่างกายขาเหมือนเขาก็ต้องตายเหมือนกันทางกายของเราเจ็บร่างกายของก็ต้องเจ็บเหมือนกันในเวลา เห็นคนอืนก็เลยไม่วิตกกังวลกับความแก่เจ็บตายเขาเรู้มันต้องเกิดเอแต่ถ้าเรายังไม่ได้ละนี่ของเราแล้วเรากของคนอื่นไม่ได้เห็นลูกแล้วแล้วก็เป็นห่วงไหมกลัวแม่ใหญ่ก็แก่ไม่ใหญ่กาเจ็บไข้ได้ปวยแม่ยใหญ่ก็ตายครับคือสราบา์ที่จะละหมดเลยทั้งตัวเองทั้งคนอื่นเลยใช่ไหมเวลาพิจารณาพิจารณาทั้งทั้งหมดไม่ใช่แต่เฉพาะร่างกายของเราคนเดียวครับ างกกขอทุคนคุณเฉลยพรครับเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดขนลุกเป็นเพราะอะไรคะไม่ต้องไปรู้มันหรอกมันลุกก็ให้รู้เฉยๆว่ามันลุกก็แล้กันถ้าตามหลักตำราก็เป็นปิติเวลาจิตเรื่มเข้าสู่ความสงบก็จะเกิดความปิติขึ้นมาได้ไม่ใช่ตามไม่ได้เกิดทุกครั้งกับทุกคน แล้วไม่ได้กิดทุกข์ข้างกับคนเดียวที่เกิดใหม่ๆอาจจะเกิดแต่ต่อไปแล้วพอเริ่มชิงงนกับมันมันก็จะไม่เกิดก็ได้เ้าเรียกปิตินะครับไม่รู้เป็นเป็นพ่อปิติหรือเปล่าหรือเป็นพ่อกลัวผีหรือเปล่ามันก็ไม่รู้แต่เหตุของคนที่เกิดคนรุ่ ม, มันก็มีหลายวิธีเหมือนกันครับแต่วิธีที่ดีที่สุดเขาใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันตายแล้วไป เป็นของไม่เที่ยงเป็นสภาวะธรรมเกิขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนั้นก็พออย่าไปยึดเพียรไปติดอย่าไปสงสัยอย่าไปกังวลอย่าไปยุ่งของมันทันทีที่ให้รู้เราปล่อยวางคุณมาริษาครับเรื่องโศกนาตกรรมที่จังหวัดหนองบัวลำพูทําไมจิตใจของคนทุกวันนี้ถึงได้เฮี้ยมโหดขาดความเมตตากรุณาปราณีได้ถึงเพียงนี้และจะมีวิธีการทําใจให้ปล่อยวางอย่างไรเจ้าคะ เรวก็ต้องพิจารณาเ ม, มื่อเกิดมาเหมือนกรณีที่มันมันเข า, าเรียกอะไรนะมันเป็นเพียงหนึ่งกรณีเราอย่าไปสรุปว่าคนทุกคนเนี่ยเหมือนแบบคนนะี้เห็นไหมคนที่มีความเมตตาออกมาช่วยเหลือกันเยอะแยะมากกว่าทั้งเยอะแยะหลายเท่ามาช่วยกันบริจากทรัพย์มาช่วยกันดูแลยีวยาสภาพจิตใจนีมีคนที่มีจิตใจดีมีเยอะแยะไป อยู่ในโลกนี้มันก็มีทั้งดีทั้งชั่วแสดงว่าเรายังมีบุญที่คนชั่วยังมีไม่มากหรือไม่ไม่เท่ากับคนคนที่เป็นคนดีอยู่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของของจิตใจของของคนของสัตว์โลกเนี่ยมันมีดีมีชั่วมันอยู่ที่บุญที่บาป ท, ที่มันได้สะสมทํามาแล้วอยู่ที่การได้รับอบรมสั่งสอนในเรื่องบุญเรื่องบาปหรือไม่ มันมีหลายสาเหตุด้วยกันที่อาจจะทําให้คนนี้เป็นเป็นคนที่โหยหวนขึ้นมาเนี่ยมันก็มีมีหลายสาเหตุด้วยกันแล้วก็ไม่ได้เป็นกับทุกๆุกคนมีกับเป็นเป็นบางคนบางเวลาอาการแล้วอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ถ้าเกิดเราไปเจอภาวะที่กดดันทางด้านจิตใจขึ้นมาเกิดอาการซึมเศร้าไม่สามารถหาความสุขได้ แหายาเสพติดเป็นเครื่องพึ่งให้ความสุขพอไปเสตแล้วมันติดแล้วยิ่งทำให้จิตใจขาดขาดสติยับยั้งอะไรต่างๆขาดสติที่จะช่วยช่วยดูแลจิตใจให้อยู่ในภาวะปกติอันนั้นแหละมันจะเป็นจิตใจที่อ่อนไหวต่อความรู้สึกมากถ้าเพ้อเพ้อเกิดนิค้อน ค, คิดรู้สึกบ้าบอขึ้นมา ก, ก็อาจจะทาไปได้ที่ ที่ทํากันเนี่ยงั้นถ้าถามว่าเราควรจะทําอะไรถ้าเราอย่าประมาทว่าอย่าไปคิดว่าใจของเราเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้เหมือนเขาเนะเพียงแต่ว่ามันยังม that, well in ไม่ได้ตกอยู่ในภาวะนั้นเริ่มที่ดีเรารีบสร้างภูมิคุ้มกันดีกว่าภูมิคุ้มกันที่ดีที่ก็คือการปฏิบัติทําตามคําสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่รู้คําสอนก็มาศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรเนี่ย พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวันพระขึ้นมาวันฟังธรรมกันใครฟังธรรมกันบ้างไหมวันนี้ก็เป็นวันพระเนี่ยอย่างน้อยสมัยก่อนนี้ก็ให้ไปวัดวันละอาทิตย์หนึ่งครั้งเพราะสมัยนั้นเวลาจะฟังธรรมต้องไปที่วัดกันแต่สมัยนี้เราโชคดีเรามีสื่อเราสามารถฟังธรรมได้ทุกวันเลยแล้ววันละหลายๆรอบด้วยก็ได้ การลองทำยิ่งมากนี้ยิ่งดีนะเพราะไ ด, ได้ได้ความรู้มากขึ้นมากขึ้นความเข้าใจก็จะลึกซึ้งมากขึ้นแมันก็จะทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจของเราไม่ให้กลายเป็นจิตใจที่หดลายทารุณศาสนาสอนให้เมตตาให้เจริญเมตตาสอนให้ทำบุญทำทานให้ชื่นเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเหนือยล้าอะไรต่างๆเหล่านี้ มันไม่ศึกษากันไม่ทำํำกันโมนแต่จะทำตามกิเลยนะ่สหาแต่ความสุขใส่ตัวเพียงอย่างเดียวแล้วก็เป็นความสุขที่ปลอมหรือความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลินรสต่างๆซึ่งก็เป็นเหมือนเป็นเสพยาเสพติดในนีนเ้เนี่ยแล้วพอเกิดภาวะที่ไม่สามารถหาความสุขแบบนี้ได้ก็เกิดอาการเครียดขึ้นมาอย่างสังเกติโดยดทุกคนเนะี่ยที่มีปัญหาก็สูญเสียความสุขไม่สามารถหาความสุขแบบที่เคยหาได้ เมียทงเมียหนีมากอะไรทั้งนองนี้เนี่ยพอไปทำบุญโหดร้ายกับเขาไปพูดไม่ดีทำร้ายเขาก็ทนอยู่ไม่ได้พอเข้าไปก็ก็เครียดปฏิตามล่าตรามข้ามเมียกันนี่แะเพราะว่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันไม่มาหาความสุขจากการทําบุญทําทานนักษาศีลภาวนาแต่คนทําบุญทำทานนักษาศีลภาวนา น, นี้จะมี มีภูมิกุ้มกันหมือได้มีการฉีดวัคซีนถึงแม้จะมีภาวะกดดันก็สามารถที่ฟันฝ่าภาวะกดดันไปได้อย่างสบายเมื่อถึเขาจะต้องไปทำบาปเพราะถ้ารักษาศีลไว่งั้นไม่กล้าทํำถ้ามันกลัวบาปมันจะไม่กล้าทำบาปถ้าเป็นคนที่รักษาศีลอย่างจริงจังนะจะไม่กล้าทําบาปหรือถ้าเป็นคนที่ทําบุญทาทานก็จะมีความเมตตาจะไม่คิดทำร้ายผู้ ถ้าภาวะจะถูกคนดังขนาดไหนก็จะไม่ไปคิดทำรมะผู้่เพราะใจมีความเมตตาอยากจะช่วยเหลือผู้มันจะไปธรราดผู้อื่นได้นี่แหละนี้เป็นหวทเรียนที่เราควรจะเอามาคิดกันนะเรามีภูมิคุ้มกันกันบ้างหรื อ, อยังฉีดวัคซีนกันหรื อ, อยังสามเข็มทานสีภาวนาถ้าได้ฉีดสามเข็มแล้วรับประกันได้โรคเครียดโรคอะไรต่างๆโรคซึมเศร้าโรคอะไรนี่จะไม่มา ไม่มาทําลายจิตใจของเราได้ครับผมฉีดไปห้าเข็มแล้วครับอาจารย์เร า, าก็เมื่อวานก่อนก็เพิ่งฉีดเข็มที่ห้าไปอ๋อครับมีหมอเข้ามาให้ฉีดสองเข็มแต่มันเป็น booster เข็มแรกมันเขามัน normal แหวก็ข้าต้องฉีดสองครั้งอ๋อครับผมหมนตอนต้นฉีดฉีดสามเข็มฉีดแอสตารามาสามเข็มแต่เป็นพวกที่ไม่ชอบเอ็มไอ เอ็เนี้ยอมอเอเนี้ยหมอเขาก็เลยไปหาโนวาแว็าให้ชีดนี่โนวาแวบกชีเข็มเดียวไม่พอต้องฉีดสองเขอที่ระยะประมาณสองเดือนล้วจะฉีดซ้าอีกครั้งหนึ่งก็เลยห้าเข็มครับอยาดีครับไม่ไม่มีอาการอะไรเลยยานี้ยาที่ฉีดไหนเป็นเป็ น, ปนหนูสะโพกทุ่นนองแล้วก็มาแช้งให้ทราบแต่อยากจะฉีดยาที่ไม่ใช่เป็นไอเออนี้ก็ลอง น้องอาบโนเวแวกดูก็ได้ครับแต่ทางนี้เขาเรยกครูเวเวกมั้เพราะมันเป็นของของอินเดียอินเดียมันเพิ่มาเองมาใช่ครับครูเวเวกผมผมไปฉีด m อ็มไอเแต่ผมให้เขาฉีดแค่1ใน10ครับอาจารย์ฉีดเข้าอีพาร์ทเนต์ฉีดขึ้นหลังครับไม่เข้ากันอย่างนัไม่เอาโอ้โหแล้วไม่มีแรงใช่ครับก็กลัวอยู่ก็เลยฉีด ID ครับ ไอโกโหกนี่มันจะปวดช่วงที่ยาเข้าไปนั่นเองแล้วสักเม่านาทีสินาทีมันก็หายแล้วไม่มีอาการอะไรเลยไม่เจ็บแขนเจ็บอะไรเลยไม่มีอาการผิดปกติเหมือนเขาไม่เหมือนเขาไม่ได้ฉีดยาเลยก็เราอยากจะมาฝากท่านผู้ชมผู้ฟัง <c oughs> ถ้าอย่างสนใจเราจะพาวพวกสูงวเัย0608ฉีดป้องกันไว้ก็ดีครั บ, ร, บรู้สึกหายากไหครับอาจารย์หายาก ใช่ไปเลยหมอด้วยกันเขารู้กันเขามีเขาขอมาได้ก็เลยมามาแบ่งให้มาชิกอะไรแข็งหนึ่งครับทาธุกครับ ม, มีมีหมอเป็นลูกเสร็จก็ดีอย่างเงี้ครับคุณหลินครับแม้ร่างกายไม่ครบสามสิบสองเหลือแค่ทุกข์ในเรื่องสุขขาเพียงในปัจจุบันพุทโธติดกายอัตโนมัติความรู้สึกเหมือนอาวุธเลยเจ้าค่ะ ป้องกันภัยหนูคิดผิดไหมเจ้าคะไม่ผิดหรอกป้องกันภัยทาง จ, จิตใจหรือป้องกันภัยความรู้สึกทุกความเครียดอะไรต่างๆไม่ไม่เกี่ยวกับร่างกายเพราจะต้องสมบูรณ์นะไม่สมบูรณ์นอนเจ็บไข้ได้ป่วยใกล้จะตายอย่างพ่อพุทธเจ้า ก, ก็ยังบรรลุเป็นพาาระหลานได้ขอให้มีคนสอนแล้วสามารถทําตามที่คนสอนสอนได้น คุณเพชรบุรีครับหลวงพ่อครับการที่พระท่านเห็นผู้คนทั้งหลายเป็นโครงกระดูกโดยตาเนื้อนั้นถือว่าพระท่านได้นิพพานณนะเวลานั้นแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่เหรอไม่ใช่การเห็นโครงกระดูกนี่ก็เพื่อเป็นการตัดการมลาค่ะถ้าตัดได้ก็ได้ขั้นปสุดาวะพสะกิณะพานาภามีขั้นที่สามยังไม่ถึงขั้นภาร ะ, าระยังยังมี ดิเล อ, อยู่ในจิต ท, ที่นั่นเข้าไปแก้ยังมีสังโยชนที่จาไปแก้ที่เกี่ยวข้องกับตัวจิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างกายที่ยังไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการพิจารณาคุณเดอมมัลติเวอร์ซอลูนิตี้ครับขอโอกาสครับคนเราอยู่ในฝันตลอดเวลาฝันตื่นและฝันหลับฝันตื่นที่ถูกละดันให้เกิดจากความอยากได้อยากมีอยากให้เป็นไปตามใจฝันที่ไม่เคยเป็นจริงถึง ตรงประเดียวก็ชั่วคราวฝันจะจบที่ใดครับจยบที่นี่พาง่ยหยุดฝันตื่นไยงพูดรู้พูดตื่นพูดเบื่าผู้หยุดฝันหยุดชิ้นตุงแต่งคุณชิสนุพงครับสอบถามครับอ่านหนังสือเพื่อศึกษาการปฏิบัติพระท่านไม่ให้อัดไม่ให้อยากรีบได้ทำแต่ผมคิดว่าควรเพียรให้ตายกันไปข้าง ผมวางจิตวางใจไม่ถูกครับกลาบขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะครับคือการปฏิบัติธรรมนี้มันทำมากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีเแต่ว่าต้องดูกำลังของเราเ้านั้นว่ามันอยู่ในเราทำเกินกำลังของเราเปล่าเพราะถ้าเราทำเกินกำลังนี่ผลที่ควรจะได้มันไม่เกิดนั่นอาจจะทำให้เราท้อได้อย่างที่พุทธเจ้าบอกว่า ความเพียร น, นี้ต้องเป็นเหมือนกับการขึงสายผินสายผินนี้ถ้าคึ้งมันตึงเกินไปมันทํามันก็ขาดได้ถ้าหย่อนเงินไปมันก็เด็กใน ไ, ไม่ได้เรื่องเสียงไม่ดีต้องนั้มันพอดีมัชชิมาพระชาติทึงบอกเป็นมัชชิมาต้องเป็นทางสายกลางความเพียรเพียรพอเหมาพอสมกับกําลังของเราในขณะที่เรามีอยู่ในขณะนี้แล้วค่อยเพิ่มความเพียรให้ไปตามกําลังของการปฏิบัติต่อไป ให้รีบอยากให้รีบให้รีบอยากรีบได้ทํานี่เสียไม่ไม่ไม่ผิดนะถูกนะคนจะรีบถ้าได้เจ็ดวันได้ก็ิ่ดีไม่ได้เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่ได้เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีอันนี้ไม่เสียหายแต่ว่าอยากไปยึดรีบรีบประหยัดเกินกําลังแล้วทาให้เราเกิดความท้อเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานล้วมจะกลายเป็นนิวรรคกลายเป็นอุปสรรคขึ้นมาแทนที่จะกลายเป็นเป็นการเสริมกําลังของการปฏิบัติทุกมย่าง แล้วบางทีการปฏิบัติที่ปฏิบัติแบบไม่ถูกก็ไม่ได้ไม่ไม่ ไ, มได้ผลเช่นเดียวกันมันต้องมีหลายหลายหลายเรื่องด้วยกันที่จะต้องคนึงในเรื่องการเอาความเพียรคำทักที่สองจากคุณมัลติวอร์ซ่ครับความเป็นตัวตนของเราอยู่อยู่กายจิตเหมือนผิวหนังของกายทิพย์เป็นเครื่องกระทบรู้ของใจ กันนั้นก็เป็นอสวะด้วยเป็นแหล่งตั้งต้นภาพสะท้อนของกรรมออกจากความว่างมาก็มีเหตุของกรรมมาแล้วผมเข้าใจถูกไหมครับเอยเรื่องที่คุณพูดนี่เราไม่เข้าใจเลยนะคุณพูดแล้วเกี่ยวบอะไรบ้างมันรู้สึกมันหลายเรื่องในการปนรั น, อ, น, น, นอยู่กายกับจิตมันไม่รู้จะตอบอยังไงต้องขออภัยด้วยนะคุณแม็กซ์ครับ พระอาจารย์บางท่านบอกว่าถ้าเราตั้งทิฏฐิว่าง่ายมันก็จะง่ายถ้าเราตั้งว่ายากมันก็ยากหมายถึงยังไงครับอ่าก็อย่างที่คุณคิดเนี่ยถ้าคุณคิดว่ามันง่ายมันก็มันก็ง่ายถ้าคุณคิดว่ามันยากมันก็ยากแต่มันก็ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปเขามันยากมันยากคุณไปคิดว่ามันง่ายมันก็ไม่ง่ายตามที่คุณคิดหรอกใช่ไหมของที่มันยากแต่คุณไปคิดว่ามันง่ายมันก็ไม่มันไม่มันไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดหรอก และเขาที่มันง่ายแต่คนคิดว่ามันยากมันก็ไม่ได้ยากตามที่คุณคิดมันมันความจริงกับความคิดมันมันไม่เหมือนกันนะอาจารย์เรให้เข้าใจแบบนี้สิ่งที่เราคิดอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงของมันก็ได้บางทีบางชีว่าจะแปลกใจว่าที่ว่างานนี้สมบัตยากกันเกิดทำไมอยู่ดีก็ได้นี่มาเพราะมันง่ายมันก็ได้นั้นอย่าไปอย่าไปยึดติดกับความคิด ความคิดของรานี้บางทีมันหลอกตัวเราได้ต้องยึดติดกับความจริงคุณประธานครับกับเพียรถามพระอาจารย์การอยู่กับทุกขเวทนาจากร่างกายควรตั้งอยู่บนฐานเริ่มต้นจากการเจริญสติใช่ไหมครับถ้าไม่มีสติก็ไม่สามารถอยู่กับทุกขเวทนาของร่างกายได้เพราะจิตมันจะมีความอยากพุอยากจะให้ความทุกขเวทนาหายไป เราเกิดความอยามันก็เลยมาสร้างความทุกข์อีกชั้นหนึ่งคือความทุกข์ใจในเหมือนทุกข์ในอริยาสัจสีอันนี้เป็นความทุกข์ที่รุนแรงกว่าความทุกข์ทางร่างกายที่ถอนเงินไม่ได้ไม่ใช่เพราะความทุกข์ทางร่างกายความทุกข์ทางใจเช่นบางคนไม่ยอมฉีดยากลัวกลัวเข็มฉีดยาซึ่งท่นานที่เข็มฉีดยาหนึงเจ็บก็จริงแต่มันเจ็บไม่เท่ากับความกลัวกลัวความเจ็บของเข็มฉีดยาเลยไม่กล้าฉีดกันฉีดไม่ได้ อันนั้นแหะถ้าเกิดอาการอย่างนั้นก็ให้ใช้สติพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วกว่าให้หมอเขฉีดไปอย่าไปสนใจหลับตาพุโทโธพุโทโธไปแล้วพอหมอฉีดเอ๊ะมันก็เป็นเหมือนแค่ยุงกัดทั้งนะี้แต่ใจมันคิดไปก่อนแนละ้วคิดโอโวมันเจ็บมันปวดมันทรมานอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาจนเกิดความทุกข์ในใจขึ้นมาไม่อยากจะฉีด คุณกู้ไก่ครับพระอาจารย์เจ้าคะการได้มาเกิดเป็นแม่ลูกกันทําไมบางคนเกิดมาแล้วนําความสุขมาให้ทําไมบางคนกลับทําให้มีแต่ความทุกข์ใจเจ้าคะก็อยู่ที่คนที่มาเกิดว่าเป็นคนแบบไหนคนที่มาเกิดเป็นลูกนี่มีสามแบบคนที่เลวกับพ่อแม่คนที่เท่าพ่อแม่แล้คนที่ดีกับพ่อแม่อย่างถ้าเราได้ลูกที่ดีกับพ่อแม่ก็จะนําความสุข ม, มาให้กับเราก็เรียกวา่ว า, วาพิชาตาบุตรอย่างพระพุทธเจ้า เป็นลูกเป็นอา พ, พิชาตเป็นผู้ที่นําความสุขมาให้แก่พ่อแม่ถ้าเป็นพวกลูกในละคนนี่ก็เป็นพวกที่เป็นพวกที่เลวกว่าพ่อแม่มเกิดแล้วก็มาสร้างปัญหาให้แก่พ่อแม่ถ้าลูกที่เท่ากับพ่อแม่ก็ไม่ได้นําความสุขหรือนำความทุกข์มาให้กับพ่อแม่ไม่มาสร้างความดอแล้วสร้านความเสียหายแต่ก็ไม่ได้เอาความสุขมาให้กับพ่อแม่ก็มีอยู่สามแบบ ด้วยการโรคที่มาเกิดเพราะคนมันมีสามแบบเลยคนดีคนชั่วและคนกลางกางไม่ดีไม่เชื่อเรื่องมีทั้งสองอย่างมีทั้งดีมีทั้งเชื่อคุณแม็กซ์ครับถ้าเราเคยนึกปรามาศพระอาจารย์บางท่านในเรื่องที่เหลือเชื่อแต่ต่อมาภายหลังรู้ว่าท่านเป็นพระดีมากๆอย่างนี้จะทําให้เราบรรลุได้ยากไหมครับ คือการที่เราไปปรามาสคือแสดงว่าเราไม่เชื่อครับเราไม่ศรัทธาเมื่อเราไม่ศร so ัทธาครับเราก็จะไม่ดีไปเรียนรู้จักเขานั้นเองแล้วเสียโอกาสท่านั้นเองเสียโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้จากท่านเพราะเราไม่เชื่อว่าท่านพูดจริงท่านรู้จริงก็เท่านั้นเองก็เสียโอกาสไปเช่นบางคนมันเจอพระพุทธเจ้าแล้วไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อว่าเป็นต้องว่ามีความรู้ความสามารถที่พูดมาใเรื่องเป็นเรื่องเรื่องโมทั้นั้น ก็ไม่ไปสนใจที่จะไปศึกษาไปปฏิบัติตามคําสอนก็ไม่ได้รับประโยชน์แต่คนที่เชื่อก็บรรลุเป็นภาะอรหันกันเป็นจํานวนมากท่านั้นเองนี่คือความผลเสียของการไปปรามาสผู้อื่นที่เราไปปรามาสคนหนึ่งเขาะเชื่อก็ เ, เป็นขอทานแต่เขาเองเขาเป็นบ า, าเศรษฐีแต่เขาทาเป็นตัวเป็นขอทานออกมาเราไปปรามาสเขาไปดูถูกดูแคลงหรือ ว, ว่าเขา แล้วก็ตั้งใจจะมาแจกเงิให้กับเราเพอเขาพูดเห็นเราเป็นอย่างนี้เขาคงเขาคงยะไม่เอาเอาเงินมาแจกให้กับเราแล้วก็เขาเข้าใจว่าคนอย่างนี้เป็นคนไม่ดีคนนี้ไปปรามาสคนเองไปดูถูกดูแคลนคนเองนั้นอย่าปรามาสดีที่สุดให้ออกน้อมถอมตอนเป็นคนอ่อนน้อมถอมตอนดีกว่าป ร, รามาสที่กระดสริฐถือเป็นคนที่อวดเก่งอดดีกับผู้ ก็เลยแบบปามาพูดว่าเลวอย่างนั้นไม่ดีอย่างนั้นคุณวันธนีครับให้สามีแต่งงานใหม่เพื่อจะได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างเต็มที่แต่อยู่ดีก็ตั้งคันมีน้องติดอีกลูกน้อยอีกจากไม่มีบุตรก็กลับมามีลูกอีกจะทิ้งลูกน้อยให้ภรรยาใหม่กับสามีเลี้ยงจะบาปไหมครับไม่บาปแบบเพราะว่าถ้าก็ยินดีรับไปเลี้ยงแล้วก็ เขาก็ดูแลดีก็ก็ไม่เป็นไรก็ทําได้เพราะว่าอย่างน้อยก็ยังเป็นสามีก็ยังเป็นพ่ออยู่เราะก็ดูแลกันไปพแต่ว่าอาจจะเป็นกรรมของลูกถ้าไปได้แม่เลี้ยงที่ไม่ดีขึ้นมาก็เป็นกรรมของลูกไปแต่มันไม่ได้เป็นบาปของเราพแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราไม่ทําหน้าที่ของของแม่ที่เรา ให้เข้ามาเกิดแล้วเราไม่ทําหน้าที่ต่อไปก็ไม่ได้บุญนะการเลี้ลูกก็ถือว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งก็ไม่ได้บุญในส่วนนี้ไปคุณสมพรครับตักบาตรเทโวโรหณะควรอธิษฐานอย่างไรครับก็เหมือนกับการตัดบาตรทั่วไปนะครับการตัดบาตรก็ให้ที่อธิษฐานอย่างไรก็ขอให้ได้ตัดบาตรทุกวัน ขอให้ทาบาตัดบาทแบบนี้ไปเรื่อยๆผลไม่เกิดจากการทาไม่ได้เกิดจากการขอผลหลังบานก็ได้ได้ได้ได้ทรัพ ไ, ไ, ได้สวรรค์ทรัพย์พูดง่ายตายไปก็ได้ไปสวรรค์ถ้าทำบุญก็ได้เท่านั้นเองกถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็ขออธิษฐานว่าขอให้ได้ตัดบาทไปอย่างนี้ทุกวันทุกเวลา คือการที่ฐาม น, นีในาภาษาพระไม่ได้แปลว่าขอเป็นการตั้งใจทําอย่างไรอย่างหนึ่งสิ่งได้สิ่งคุณดังสันครับถ้าเราหลับตานิ่งสงบใจไม่คิดอะไรเลยไม่มีคําบริกรรมไม่มีการดูลมหายใจถือเป็นการทําสมาธิไหมครับก็จะว่าเป็นการทำก็ได้แต่ยังมันยังไม่ได้สมาธิ มันก็เป็นเป็นกระจายมันก็เฉยๆไปแล้วมันจะนั่งได้ทั้งทุนานทั้เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ใช่ไหม ค, คุณอริยาครับการทําสมาธิกับการทํากรรมฐานแตกต่างกันอย่างไรคะเหมือนกันนะเพียงแต่ใช้ศัพท์ต่างกันกรรมฐานก็คืออารบที่เราใช้ในการนั่งทำสมาธิ น, นี่เช่นพุโทโธนี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างเดียวพุทธานุสตินะ กรรมฐานมีสี่สิบด้วยกันในสี่สิบนี้ก็มีพวกเรอนุสติอยู่สิบเราเรียกถึงว่าพุทธเจ้าพุทโธก็เรียกว่าพุทธานุสติเราเรื่ถึงพระธรรมคาสอนก็เรียกว่าธรรมานุสติเราเรืถึงพระอริยสงสาวก็เรียกว่าสังฆานุสติเราเรื่อถึงลมหายใจก็เรียกว่าอานาปานสติทั้งนี้เป็นกรรมฐานเท่านั้นการนั่งกรรมฐานก็คือการนั่งทำสมาธินั่นเอง เนี่แต่ว่าเราใช้สลับกันไปใช้แทนกันไปนะั่คุณแม็กซ์ครับถ้าเราดู Facebook เห็นคอมเมนต์ที่ขัดใจเราหรือทำให้ส่วนรวมเสียหายควรทำใจยังไงดีครับหรือเราผิดเองที่ไปดูครับก็ทำใจให้เฉยๆไปนั่นเองไม่ใช่เรื่องของเราใครก็อย่าไปคิดอะไรพูดแรงก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราที่เราจะต้องไปวุ่นวายไปกับเขา พรเจ้าบอกเห็นอะไรได้สักแต่ว่ารู้ท่านเองให้ดูท่านเองจบการไม่ยอมรู้เฉยๆดูแล้วมีต้องมีส่วนร่วมขึ้นมาต้องมีรักมีชันมีอะไรขึ้นมาแล้วก็ไปตอบโต้ไปแล้วก็ไปด่ า, า, ากั น, นแล้วก็แคนเดสแล้วเดี๋ยวก็ไปฟ้องร้องในอมสายกันนีกแต่แล้วก็ต้องมาขอขามาลาโทษกันครับ <c oughs> เรื่องไร้สาลระท่านเลยเรื่องการไม่มีสติ นั่นเป็นการยับยัง้งกายวาจาใจของตนนี่ขนาดไม่กินเหล้มามาเะขนาดนี้ถ้าาถ้าเกินเหล้าแล้วลมาอ่านคอมเมนตดิยยิ่งไปกันคุณกเกษมสรรครับทำไมเวลานอนรู้สึกตัวตลอดมาหลายวันแล้วครับเหมือนดูร่างกายนอนครับก็ยังมีสติอยูย่ไม่หลั คุณเจริญครับพระอาจารย์ค้าเด็กรุ่นใหม่สงสัยว่าการที่คนเราแค่ถือศีลห้าไม่ทําความเดือดร้อนให้ใครทําให้ไม่เกิดอีกได้ไหมคะเพราะตัวเขาก็ไม่ประสงค์จะเกิดอีกอยู่แล้วเขาไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องปฏิบัติถือศีลที่มากกว่าห้าข้อจึงทําให้ไม่กลับมาเกิดได้เจ้าคะ่ะเพราะศีลห้าไปยับยั้งความอยากไม่ได้ตัวเหตุที่มาทําให้เกิดก็คือความอยาก อยากดูอยากเสษรูปเสียงเกลี์ตอนนี้สีนห้ามันมั น, ม, นมันไม่มันไม่ไปหยุดมันมันไม่ไปทำลายมันต้องปฏิบัตินั่งสมาธิจารางวิปัสสนาถึงจะสามารถหยุดความอยากได้ถึงจะไม่กลับมาเกิดเองได้สีลเน้นเพียงแต่ขั้นต้นที่จะส่งให้จิตสามารถขึ้นไปสู่ขั้นที่สูงต่อไปได้คือขั้นศีลจากสีนห้าก็ต้อง ข, ขึ้นสู่ขั้นศีลแปดก่อน ถ้าอน ง, งาศ์สาสินแปลไม่ได้ก็จะไปปฏิบัติทำไม่ได้ได้กันน้อยได้ไม่มากเพอาะใจยังอยากไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วไก่แต่ถ้าถธอสินแปลงได้ก็แสดงว่าห้ามใจไม่ให้ไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิน่นรสได้ก็จะได้ในเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่คุณธนเดชครับการที่เราคิดไม่ดีกับผู้อื่นแต่ยังไม่ได้กระทําจะบาปไหมครับ เป็นการเริ่มต้นนะนี่ต้องระวังมันเริ่มจุดไฟแล้วพอไฟเริ่มลุกก็รีบอยุดมันนะถ้าปล่อยว่าเดี๋ยวมันจะลามใหญ่ตโตขึ้นมาแต่เวลาเรามีไฟเกิดในบ้านปั้มเดียวเนี่ทั้งเผอจุดไม้ขีดแล้วไปติดอะไรขึ้นมาเนี่ยเรารีบดับมันทันทีเพราะถ้าปล่อยว่าเดี๋ยวมันลาปลามเดี๋ยวบ้า ไ, ไม่บ้านทั้งหลังถ้าปล่อยให้ความคิดไม่ดีนี้คิดต่อไปเดี๋ยวก็อดที่จะไปทําทําไม่ได้ ยิ่งคิดยิ่งยิ่งโกรธยิ่งแค้นี่งเดี๋ยวว่ไปใหญ่เลยเดี๋ยวว่าเี๋ไปพูดไปกระทําต่อไปเห็นพอเริ่มคิดปังนี้ต้องหยุดมานละใช้พุทโธน้ําน้ําดับไฟน้ําดับความคิดไม่ดีก็คือพุทโธเนี่ยบริกรรมไปทีความคิดไม่ดีมันก็เป็นความคิดการบริกรรมพุทโธก็เป็นความคิดเราก็เอาความคิดไม่ดีมาให้มันบริกรรมพุทโธพอเราบริกรรมพุทโธมันก็คิดไม่ดีไม่ได้แค่เท่านั้นเองครับ คุณพัชรนชนทครับเวลาบริการพุทโธควรเอาจิตไว้ตรงไหนคะํคำบริการก็เอาไว้ที่คำบริการให้เข้าดูคำบริการมาเรากำลังบริการพุทโธหรอือเปล่าคุณสุทธาทิพย์ครับถ้าเราตั้งเป้าว่าเราจะไม่เกิดก็ต้องวางแผนเลิกประกอบอาชีพใช่มั้ยครับอาจารย์ก็ต้องมีเวลาปฏิบัตนะิ ถ้าไม่มีถ้ายังไปทำอาหารกินอยู่มันก็ไม่มีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่แล้วมันก็ยากถ้าปฏิบัติไปแล้วทำอาหารกินด้วยเพราะมันจะมีเวลาน้อยแล้วก็มันจะสวนทางกันการปฏิบัติมันก็ต้องไปทําตอบสนองความอยากต่างๆอยู่ถึงไปการไปทำอาชีพก็เพื่อเทียบไปตอบสนองความอยากต่างๆอยคุณอัญชลีครับ เวลาคิดถึงเรื่องอดีต ท, ทำให้เสียใจน้ำตาไหลพอรู้ว่ามีอาการนี้รีบกลับมาดูลมหายใจทันทีความเสียใจหายไปแต่ยังรู้สึกมีน้ำตามันไหลอยู่บนหน้าทำแบบนี้ถูกไหมคะก็หายไปก็ถอกแต่น้ำตาง่ายยังมีตกค้างอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรจะดูลมหายใจก็ได้จะบริกรรมพุโทโธก็ได้เพื่อยับยั้งค ว, ความคิดที่ไปคิดถึงเรื่องอดีตต่าพอไม่คิดแล้วเดี๋ยวมันก็ความเสียใจก็หายไปก่อน น้ำน้าตาที่มันที่มันยังหลังไม่หมดมันก็ยังอาจจะมีน้ำไหลไหลยอยู่บ้างไม่เป็นไรนี่เป็นธรรมดาขอให้ความเสียใจหายไปก็ก็ใช้ได้นะครับคุณชิตนุพงศ์ครับเราจะเริญสติโดยพุโทโธเป็นดูลมหายใจเป็นอายตนะคือเปลี่ยนไปเรื่อยตามแต่ว่าอะไรเด่นเราก็สักแต่ว่ารู้ไปผมควรจเจริญต่อไปแบบนี้หรืออยู่แต่เพียงพุโทโธดี ผมควรทำอย่างไรดีครับเ อ, อ่อถ้าจเจริญสติต้องอยู่กับเรื่องเดียวถ้าเราใช้พุโทโธให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับอย่างอื่นอันนี้ไม่ทราบในกรณีที่นั่งสมาธิหรือเปล่าหรือว่าเวลาเวลาที่เราเคลื่อนไหวทำอะไรต่างๆอันนี้ไม่ไม่ได้บอกมาเลยไม่เข้าใจนะ่ถ้าเวลานั่งสมาธินี้ถ้าพุโทโธก็พุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องไปดูลงหาใจไม่ต้องไปดูอะไรทไั้งนั้นอย่าไปเปลี่ยนไป ให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวแต่ถ้าการเจริญสติเราในในชีวิตประจำวันนี้ก็ต้องดูว่าเรากําลังทําอะไ ร, ระควบคู่ไปกับการบริกรรมพุโทโธแต่เราจะไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นเวลาอาบน้ำให้ให้ให้ดูว่าเรากําลังอาบน้ําอยู่แล้วก็ให้พุโทโธไปคลับไปด้วยอย่างนี้ก็ได้หรือไม่ต้องใช้พุโทโธก็ได้ให้ให้เราดูการกระทำของรง่างกายเพียงอย่างเดียวแทนก็ได้ เพียงกำลั้ําบน้ำกให้ดูการอาน้ําเพอย่างเดียวอย่าให้ไปดูอย่างนื้นอันี้เรื่องเป็นการเจริญสติคุณสิริพัฒนอนครับขณะปฏิบัติเห็นจิตแยกออกมาออกมาจากกายเป็นคนละตัวกันกายอันนึงจิตอันนึงกายเป็นแค่ธาตุรับใช้ของจิตเขาความคิดอันหนึ่งเวทนาอันหนึ่งหาตัวเราไม่เจอค่ะไม่เห็นตัวเราสับสนเหมือนกันค่ะกับสิ่งที่เห็นนี้ เราคืออะไรครับเมื่อเข้าไปเห็นในสิ่งที่มันไม่มีทําไมล่ะมันมันไม่มีตัวตนเรไปเห็นมันได้ยังไงไม่มีมเวลาจิตสงบมันก็จะไม่เห็นอะไรมันจะเห็นแต่ตัวรู้ตัวเดียวความคิดก็หยุดไปเวทนาก็หยุดไปเมื่อเวทนามีอยู่ก็มันก็เป็นเวทนาอันหนึ่งอันหนึ่งแต่ตัวตนไปหายไงไม่เจอพไม่มีต้องไปสับสนทําไมนะ ในการน่งสมาธิเมื่ให้เราเห็นว่าไม่มีตัวตนมีแต่สภาวะธรรมมีแต่ร่างกายมีแต่เวทนามีแต่ความคิดสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นตัวตนไม่มีผู้คิดเป็นแต่การคิดเป็นความคิดเป็นเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งือนนมพัดเนี่ยนมพัดไม่มีใครมาพันุ์ลงใช่ไหมนมมันก็พัดของมันเองผลตกมันก็ตกของมันมาเองไม่มีใครไปทำให้มันตกอันนี้ก็เหมือนกันความคิดมันก็เป็นความคิดไม่มีใครมาทําให้มันคิด นั่กายมันก็เป็นนั่งการไม่มีใครมาทำให้เป็นตัวตนไม่มีเมื่อนไม่มีแล้วเราจะไปหามันได้ไงหามันมีได้เราจะไปเราจะไปสับสนว่าเราพยายามหาในสิ่งที่มันไม่มีนี่ะมันจึงสับสนก็อย่าไปหาทีว่ามันไม่มีเราไปหามันทําไมการปฏิบัติก็เพื่อให้เราเห็นว่ามันไม่มีตัวตนเป็นแต่สภาวะเป็นแต่ธรรมชาติปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เหมือนดินเหมือนน้ำเมนลมเหมือนไฟคุณสมพรครับโยมเป็นคนโมหะจริตและโทสะจริตได้ง่ายมากโยมต้องใช้หลักถามข้อใดมาปฏิบัติดีครับการจนลดโทสะก็เกิมีส อ, อย่างเหมืกันโทสะเกิดจากความอยากความต้องการพอไม่ได้สิ่งที่เราอยากเราต้องการเราก็โกรธ ถ้าเราไปแก้ที่ต้นเหตุได้ก็จริงเคย อ, อยาลดความอยากลงให้หัดฝึกยินดีตามมีตามเกิดอยากไปยุจี้จุกจิตจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้พอไม่ได้ดังใจก็จะโกรธเกิดมานี่คือทิศทางของโทสะมันเกิดจากความอยากยุจี้จุกจิตหัดใช้สันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดอะไรก็ได้ร้อนก็ได้เย็นก็ได้น้ำก็ได้ฝนตกก็ได้แดนออกก็ได้ อย่าไปเอาต้องเอาให้ผลผลตกต้องตกอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าจูจี้จุกจิกมันก็จะทําให้โกรธง่ายวิธีที่แก่ถ้าแก้ที่ตอนเหตนแล้วก็แก้ที่ลดความอยากลงนมลดความอยากความต้องการตัวเองให้น้อยลงไปแล้วความโกรธมันก็จะเบาลงแต่ถ้ายังลดไม่ได้เวลาเกิดความโกรธใครก็ให้ใช้เมตตาให้อภัยเขา คิดว่ามันเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นมาแล้วถ้าเราอยากจะให้ใจเราสงบไม่ไม่โกรธเพราะเวลาก่อนนี้มันทําให้ใจเราทุกข์ใจเราร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับก็คิดว่าการให้อภัยเขานี่เป็นการช่วยตัวเป็นการแก้ปัญหาให้กับเราไม่ใช่ไปแก้ให้กับเขาหรอกทำประโยชน์ให้กับเราไม่ได้ไปทําประโยชน์ให้กับเขาเการให้อภัยก็แล้วมันทําให้ใจเราเย็นใจเราสงบใจเรากลับมาเป็นปกติ นี่ก็ต้องใช้หลักธรรมสองข้อนี้ลดความอยากให้น้อยลงเพื่อป้องกันการ ก, ารกของโทสะแล้วก็ถ้าเกิดก็ให้ใช้ความเมตตาให้อภัยกันเราอยู่ในโลกนี้ด้วยการอยามามีเวณีกรมรมกันเลยการมีเวณีกรรมกันั้นไม่ดีหรอกสู้การไม่มีเวณีกรรมกันจะดี สคุณสมพรครับการดำรงชีพในยุค ข, ข้าวยากหมากแพงประสมกับยุคโรคระบาดบ้านเมืองไม่เหมือนแต่เก่าก่อนเสมือนโควิดจัดระบบระเบียบบ้านเมืองวิถีชีวิตผู้คนในเมืองใหญ่ๆแม้แต่ในกรุงเทพผู้คนออกไปอยู่บ้านในต่างจังหวัดไปอยู่ชนบทเป็นส่วนใหญ่คือกลับไปอยู่ภูมิแนาบ้านเกิดของตัวเองทําให้ในเมืองมีความเงียบเหงาผู้คนไม่พลุกพล่านไม่เหมือนตอนก่อนเกิดโรคระบาดอย่างนี้คือหลักอธิจังใช่ไหมครับถูกต้องก็ไม่แน่นอน เปี่นปลงคำว่านิจจ์ก็คือเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีเจริญมีเสียอยุคนี้อาจจะเป็นการเสื่อมของทางของบ้านเมืองของกรุเงเทพก็ได้กรุงเทพกับเจริญด้วยคนนีคนเข้ามาอยู่กันมากมายเพราะมีงานมีการมีอะไ ร, ระต่างๆให้ทําเยอะ้ะพอเกิดโรคระบาดก็ไม่มีงานไม่มีการอยู่ก็อตายอยู่ก็อด ต, ตายก็เลยต้องย้ายย้ายกันกลับไปพรม ลำดับไปหากินตามตามมีตามไป ต, ตามบ้านเนาะบ้านเกิดของตนครับเดี๋ยวก็กลับมาใหม่เดี๋ยวพอโรคหายไปคนกลับมาเที่ยวเลยความต้องการคนงานงานก็มีขึ้นมาอีกเดี๋ยวนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเนี่ยปีนี้เขาว่าจะมีต้องสิบล้าตอนที่มีโควิดนี่ศูนย์เลยไม่มีเข้ามาเลยตอนที่ปิดประเทศครับเมื่อเป็นประเทศรายได้จากคนคนมากท่องเที่ยวก็ไม่มีเลย ไม่มีแล้วคนที่ที่ต้องใช้เงินได้ที่ได้จากานักท่องเที่ยวมันก็ไม่มีรายได้ก็ต้องไปหางานใหม่กลับไปไม่มีงานก็ต้องกลับไปอยู่ที่บ้านไปทําไร้ไถนานะไปปลูกผักปลูกหญ้ากินกันไปก่อนอปลูกข้าวกินกันไปก่อนพอประนังชีพไปเลยเดี๋ยวพอได้ข่าวว่าเอ อ, ขอเขต้องการคนงานต้องการพนักงานเสิร์ฟต้องการคนงานทํานู่น ท, ทํานี่เพราะโรงแรมเปิดขึ้นขย า, ายโรขึาา้นเดี๋ยวก็ การ ม, มาสมัครกันใหม่เนี่ยเขาเรียกอ น, นิจจ์ขึ้นขึ้นลงลม<ๆ>ีจริมีเสื่เป็นธรรมดาพัฏยานี้กระทบนักทกอ่องเที่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับอาจารย์ตอนนี้ก็เริ่มเพิ่มแล้วเพาเราเป็นนุสิตที่เขาเป็นการจิต <c oughs> การลงลาบถามว่เาเป็นไงตอนนี้ดีขึ้นเยอะห <c oughs> แต่ยังเป็นของคนคนไทยพยู่เขาบอกนอยายกจะไปพกมาสัมมนากัน ช, ช่วงนี้ครับแต่ผู้ที่มาเที่ยวนี่ยังเช่นต่างชาติยังมีน้อยอยู่ ก็เริ่มมีมาบ่าเพราะส่วนใหญ่จะเป็นพวกจีนที่เคยเข้ามาเยอะแต่ตอนนี้นจีนก็ยังปิดประเทศอยู่ก็ยังไม่เปิดกันเดียวถ้าจีนเปิดเปิดประเทศต่อทนี้นก็เต็นที่แล้วดีเลยใช่คไปญี่ปุ่นนี้ยังไม่มีชาติอื่นเลยครับอาจารย์เจอแต่ญี่ปุ่นหมดเลยครับครับญี่ปุ่นเนี่ยเขายังไม่เปิดเต็มที่ไม่ใช่็ยังเขาจะเปิดหลังวมาที่สิบเอ็ดเนี่ยครับพรุ่งนี้ครนะับ ไม่เปิดแล้วครับแล้วก็เขาปินดนานๆก็ไม่หไหวเขาขายรายได้ไปเยอะเหมือนกันใช่ไหมใช่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนี่สุดกันเยอะสายการบินเลยโรงแรมเลยอะไรหลังนี้ครับสุดกันเยอะคนที่ทํางานกับธุรกิจเหล่า น, นี้ก็ต้องตกงนานอันนี้สก็ทนไม่ได้ก็ต้องเปิดแต่จีนนี่เขาเป็นประเทศใหญ่ก็อาจจะสายการท่องเที่ยวภายในเอง ดูแลกันได้จริง mm hmm. ทเที่ยวกันในประเทศเขาประเทศเขาใหญ่ที่ท่องเทียเท่ยวเวยอะบางรายยังมีงานมอนเรียนยังอยู่ในประเทศได้คุณว1 1สิบเอ็ดครับใช้เงินแทนข้าสารอาหารแห้งตักบาทเทวได้หรือเปล่าครับได้ก็เป็นการทำบุญอย่างนึงแต่ว่าวิธีใส่เขาไม่นดยงให้ใส่เป็นในบาตของพระ ให้ฝากไว้กับลูกศิษย์ที่มาช่วยพระเพราะการพอบินัยของพระในพระรับเงินรับทองกับเงินไม่ได้ต้องให้ฝากเงินทองไว้ให้กับลูกศิษย์เวลาต้องการของก็ให้ลูกศิษย์ไปซื้อมาให้ไม่ให้พระไปซื้อคุณเกษมสันครับทําไมรู้สึกร่างกายเหมือนหุ่นยนต์ครับเหมือนมีจิตรู้ดูร่างกายเดินนั่งนอนทํางานเองครับ เหมือนก็เป็นตุ๊กตาตัวนึงตุ๊กตาที่ทัดผลิตโดยธรรมชาติเป็นหุ่นแต่เป็นหุ่นที่ผลิตโดยดินน้าำลมไฟทำมาจากดินน้าำลมไฟมันก็รอคำสั่งคือใจเป็นผู้สั่งให้ขยับขยี้ตอนตอน้ตนตอนที่เรามาเกิดใหม่เราต้องหัดหัดใช้หุน่นกันก่อนในิจใจยงใจต้องหัดมาฝึกใช้แขนใช้ขาโ ย, ยกแขนโ ย, ยกขาหัดยืนหัดเดินหัดวิ่งอยู่ก่อน ว่าได้หุ่นมาใหม่ๆหุ่นมันวิ่งเองไม่ได้ใจก็เลต้องฝึกมันทำให้หุ่นมันรู้จักยืนจากเดินจาอะไรต่างๆอย่ต่อไปมันก็เป็นอัตโนมัติมันก็สั่งปุ๊บมันก็ทําได้ทันทีสั่งให้ยืนมันก็ยืนสั่งให้วิ่งก็วิ่งได้แต่ใหม่ๆนี่สั่งให้วิ่งมันไม่วิ่งนะครับวิ่งไม่เป็นก็ต้องมีการฝึกฝนฝุ่นยอดตัวนี้ก่อน เนี่พอฝึกมันได้มันมันเข้าใจคําสั่งแล้วพอบอกให้มันลุกมันก็ลุกบอกให้มันยืนก็ยืนบอกให้มันเดินก็เดินเนี่ยรางกายนี้ก็คือผลดีๆนี่ครับคุณธาริกาครับดิฉันนั่งสมาธิไม่ได้เนื่องจากเป็นเน็บชาแต่ใช้วิธีนิ่งนั่งเงียบๆแล้วท่องคาถาชินบัญชรรู้สึกเย็นสบายใจทุกครั้ง การสวดคาถาชินวัญนชรในยามที่จิตว่างเปล่าแบบนี้เป็นการทําสมาธิเหมือนกันใช่ไหมคะก็เป็นการทำว่าที่แบบแบบเบื้องต้นแบบไม่ลึกคือจิตยังไม่ดิ่งสาบจริงๆพรานนี่จิตดิ้งสงบในจิจไมไม่ต้องสวดไม่ต้องอะไรจิตจะอยู่เฉยๆมีความสงบจาการความสงบไม่คิดปรุงแต่งจริงจิตแต่ก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้นทําอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ ขั้นต่อไปก็ลองหยุดส่วนแล้วก็ดูลงหายใจอย่างเดียวดูอยู่ที่ปลาจากแล้วก็อย่าให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าทำได้ก็อาจจะจิตก็จะสงบนึกเข้าไปแล้วก็จะพบกับความสุขที่มากขึน้นไปตามระดับต่อไปคุณพักนิลันครับอ่วยเป็นโรคที่หาสาเหตุไม่เจอรักษาไม่หายมีความทุกเวทนาทางร่างกายตลอดเวลา ทำอย่างไรให้อยู่กับมันได้ครับก็เชื่อพระพุทธเจ้าเถอะว่าคนเราก็มีโรคแค่สามชนิดเท่านั้นเองทุกคนคือโรคที่เป็นเองแล้วก็หายเองไม่ต้องไปทําอะไรมันใบางทีปวดท้องยังไม่ทานกินยามันก็หายของมันได้ปวดศีรษะบางทีมันก็หายของมันเองได้ถ้ามันเป็นโรคที่มันเป็นเองหายเองก็ไม่ต้องไปทําอะไรก็ปล่อยรับ แล้วก็โรคชนิดที่สองว่าเมื่อเป็นแล้วก็ต้องรักษาถึงจะหายถ้าไม่รักษาก็ไม่หายอันนี้ก็ต้องไปทําเป็นแักก็ต้องไปหาผู้ที่เขาชานาญทางโลกต่างๆว่าเขารักษาให้ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ถือว่าถือว่าเป็นโรคชนิดที่สามโรคชนิดที่สามคือเมื่อเป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปลแล้วนี้แล้าเราก็คิดแค่นี้ก็พอเราถามดูเราเองตอนนี้เราเจะโรคแบบไหน เราที่รักษาหายก็ไม่หายารัถษาไม่หาก็เป็นโรคชนิดที่สามไปก็แล้วรับไปเป็นต้องไปกังวลอะไรกันว้างไปร่างกายของเราก็มีค่าโรคสามสามสามโรคนี้ไม่ต้องไปเป็นหมอหรือซ่อมอะรเรียนจะพูดเจ้านง่ายกว่าเยอะแยะแล้วตอดปัญหาเรื่องเรื่องการรักษาร่างกายได้อย่างไม่ต้องไม่วุ่นวายทนายพุทธเจ้ามีโรงพยาบาลที่ไหนมีเครื่องเอ็กซเรย์มีเครื่องอะไรต่างๆที่ไหน ไอ้ก็รักษาแบบนี้ใช้หลักธรรมชาติรักษากันให้รู้ว่าเรามีสามโลกถ้าเป็นโรคมันเป็นเองแล้วหายก็ไม่ต้องทำอะไรถ้ามันเป็นแล้วไม่หายก็ต้องรักษากันถ้ารักษาหายก็ก็ก็เป็นโรคชนิดที่สองแต่ถ้ารักษาแล้วไม่หายมันก็กลายเป็นโรคโรคชนิดที่สามไปเป็น ก, ก็ต้องอยู่กับมันไปเลย ไ, ไ, ไม่ต้องไปเห็นจะต้องไปทุกข์กับมันไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันสมัยนี้โอ้โหวุ่นวาย เรื่องการทย์นี่การเป็นเรื่องปัญหาโรคแต่นเพราะว่าต้องการรักษามันก็ต้องต้องมีโรงพยาบาลมีเครื่องไม้เครื่องมือมีค่าใช้จ่ายต้องซื้อประกันต้องโอ้ยวุ่นวายไปหมดสร้างความทุกข์ให้กับการรักษาร่างกายเลยใช่เหตุแตะใช้หลักแบบพระพุทธธรรมใจไม่ทุกข์กับโลกของทางร่างกาย ค, คือยอมรับกับสภาพของโลกว่ามันต้องเป็น เป็นแล้หายก็โอเคชนิดหนึ่งเป็นแล้วไม่หายรักษาไปรักษาไปรักษาหายก็เป็นชนิดที่สองถ้าเป็นแล้วไม่รักษาไม่หายก็ต้องอยู่ประมาณไปเป็นโรคชนิดที่สามครับไม้นยังมันจะต้องเป็นมีโรงพยาบาลมีอะไรเลยมีแค่คสามโรคเองนะครับอาารยโรคนะยาที่รักษาจะใช้ยาดองด้วยน้ําปัสสาวะเนี่ยครับ ให้ผากินยาดองด้อยน้ำปสัสสาวะสมัยก่อนก็กินยาชนิดนี้กัน<อ>กินดองอาสมองมาดองด้วยน้ำปสัสสาวะแล้วเวลาเจ็บไายได้ป่วยก็ดิมน้ำที่ดอกไว้เนี่ยเป็นยาเ้าเรียกยาดองเนี่ยครับน้ำปสัสสาวะมันรู้สึกมันมันจะมีแบบ ม, มีมันอาจจะมีคุณสมบัติบางอย่างที่ทําให้เป็นยาได้มีกรดอะไบางอย่างมีอะไรเยอะแยะเลยดีกว่าน้ําปล่า เวลาเราดองดองดองด้วยน้ําปล่ามันมันดองไม่ได้ฮนะมันจะทําให้ผลผลไม้เน่าต้องต้องใส่น้ำเกลือเข้าไปต้องใส่เกลือเข้าไปมันถนงจะดอง ไ, ได้ยันในน้าปะชะวามันก็มีน้ำเกลืออยู่แล้วเนี่ยมันก็มีเกลืออยู่นะมันก็เลยเป็นยาเป็นน้ําที่เอามาดองทำเป็นยาได้ ค, คุณภูมิครับ การธรรการพระอาจารย์ครับปิติขนลุกขนพองตื้นตันคืออาหารของปฐมฌานใช่หรือไม่ครับเราจําเป็นต้องฝึกสร้างอารมณ์ปิติบ่อยๆในชีวิตประจําวันเพื่อเข้าไประลึกอารมณ์ปิตินั้นในปฐมฌานได้หรือไม่หรือรอให้อารมณ์ปิติเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับเออมันต้องเกิดขึ้นเองจากการมีสติจากการทำใจให้สงบเราไปไปไปกำหนดมันขึ้นมาไม่ได้มันเป็นผลที่เกิดจากการเจริญสติ แล้วใจเริ่มมีความสงบขึ้นมาพอถึองขีดหนึงมันก็จะเกิดแล้วมันไม่เกิดเสมอไปมั น, มน จ, จะเป็นเกิดในขั้นแรกๆของการปฏิบัติต่อไปมันอาจจะไม่เกิดอะไรก็ได้คุณพานันพรครับอยากทำทานแต่ไม่ค่อยมีปัจจัยถ้าตั้งใจให้อภัยคนคิดร้ายกับเราคือเป็นการทำทานได้หรือเปล่าเจ้าคะ จะว่าได้ก็ได้แต่แมันก็ยังเป็นมันไม่ได้เป็นการทําแบบเสียสละแบ่งปันข้าวของหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเราเช่นถ้าเราไม่มีเงินทองเรามีของเก่าของที่เราไม่ใช้ก็ไปแจกจ่าย ใ, ให้คนอื่นเข้าไปก็ได้มันยังเป็นจะต้องใช้เงินอย่างเดียวหรือถ้าเรามีวิชาความรู้เรารู้จักวิธีทํากับข้าวทำอาหารแล้วก็ไปสอนคนที่เขาอยากจะเรียนโดยที่ไม่คิดเงินกับเขาก็ได้ อันนี้ก็จะเป็นการทำทานแต่เรื่องการให้อภัยก็ได้แต่แล้วมันที่เราจะไปให้อภัไยได้มันต้องรอให้มีเรื่องก่นกอนถึงเราถึงจะให้อภัไยได้ต้องมีคนมาทำให้เราโกรธก่อนแล้วเราถึงไปให้อภัยครับแล้วถ้าเราไม่โกรธแล้วเราจะไปทำมาภัยทานได้ไอะไรเรก็ต้องทำทานอย่างอื่นเรามีร่างกายเราไปเป็นอาสาสมัครก็ได้เป็นจิตอาสาก็ได้เนี่ยคนที่เข้าไปทำงานกับอวกมูลนิธิต่างๆไปช่วยอ ช่วยเวลามีใครประสบภัยอต่างเช่นตอนนี้ช่วงน้ําท่วมเงี้ยเข้าไปช่วยการบรรเทาทุกข์ยานเหลือแล้วเราไม่มีเงินแล้วแต่เรามีเวลาเรามีหร่างการแล้วที่สมบูรณ์อย่างแรงแล้วก็ทําได้แต่จะถามว่าอพัยทานทําได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่มันเมื่ออหร่จะได้สักครั้งหนึ่งเรากดคนทุกวันหรือเปล่าคุณเดอะมัลติเวิร์สซครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้แก่อะไรบ้างครับ แล้วอะไรบ้างที่ไม่เป็นไปตามกฎนี้ครับทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเพียงแต่มีธาตุทั้งหกนี้ที่โดยลําพังของมันมันจะไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันเกิดขึ้นแล้วก็มันก็ตั้งอยู่ของมันไปไม่มีวันดับแต่ถ้ามันไปรวมกับธาตุอย่างอื่นมันก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแต่ถ้าน้ํามันอยู่ตามลำพังของมันน้ํามันก็เป็นน้ําของมันอย่างเดียดินก็เป็นดินของมัน แต่ถ้าพอมันประสมกันมันก็นกลายเป็นต้นไม้ใบา ย, ย่าขึ้นมาเรมีการเกิดขึ้นเป็นต้นไม้ใบา ย, ยาเดี๋ยวมันก็ต้องมีการแก่การเจ็บการตายของต้นไม้ใบา ย, ยาต่อไปเพราะมันยจะต้องแยกกลับไปสู่ธาตุเดิมของมันคุณอัญชลีครับคนที่เราเคยรักแต่เราไม่สามารถรักกันได้ตามมากดไลค์ให้เราตลอดจะทําใจอย่างไรคะเพราะทุกครั้งที่มากดไลค์เราจะคิดถึงเรื่องราวที่เคยผ่านมาทั้งสุขและทุกข์ เราแก้ปัญหาโดย unfriend Facebook ไปแต่เขาไลาย่ยอมครับก็อย่าไปอ่านเลยท่านเนีเราไม่เคยไปอ่านเลยคอมเมนต์เด็ดขาดที่ในเฟซบุ๊กเาค <c oughs> รับหรืออ่านให้เสียเวลาไหมัมนเป็นความรู้สึกเรื่องที่ของเขาที่เขาระบายออกมาซึ่งเมื่อก่อนไม่มีนี่เขาก็ระบายเขาก็อยู่ในใจ เ, เขาด่าเราในใจแล้วที่เราไม่รู้ <c oughs> เราก็ไม่เดือดร้อนนื่พอตอนเราไปอ่านที่เขาระบายออกมา ให้เราเราก็เลยไปเดือดร้อนอยบให้อ่านมันะท่านทไมโง่กันเลิกเกิดสิ่งใดที่อ่านแล้วทำให้เราทุกข์ไปอ่านทําไมไปดูมันทําไมอย่าไปดูมันไม่ต้องไปสนใจคันยิงเพชุงจริงๆเนี่มันไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะให้เรามาอวดโอด่งกันแล้วก็ให้คนเข้ามาชมหรือมาด่าเราใช่ไมแต่เวนก็เป็นธรรมดามันเราเราไปทําตัวของเราให้เป็นเป้าเขาเองนะเข้าใจ ถ้าเราไม่ไปโพสอะไรทั้อย่างแใครก็ยังว่าด่าเราได้เนีมีเพ่นพวกบางคนเขามีแต่เขาไม่ได้โพสอะไรเนีลยเขาไปดูว่างมีแต่ชื่อเขาอย่างเดียวเขามีไม่ถนัดไปไปใช้ด่าคนอื่นตัวเขาไมยอมโพสอะไรเลยคุณ บุญกู้ครับการไหว้พระสวดมนต์เราไม่จุดทูบเทียนได้ไหมครับถ้าเราเป็นคนแพรกลิ่นควันอ๋อได้ไมันจุดจุดทเทียนเลยการไหว้พระก็เป็นการบูชาเป็นการแสดงความเคารพต่อ ส, ส, สิ่งที่เราให้การความเคารพเท่านี้คุณหลินครับถ้าเราตั้งมั่นในศีลในธรรมเราพูดความจริงเราทําเต็มที่ความกลัวไม่มีในใจบอกแค่ว่าเห็นคนทําผิดนี้ไงตัวบาป เพียงแต่ไม่เข้าใกล้แต่ไม่จําเป็นต้องขี้ฟ้องค่ะทําให้เกิดปัญหาทะเลาะกันยิ้มสวยๆให้เป็นนางงามสวยการและสวยใจยคิดแบบนี้เพิ่มกิเลสใหม่เจ้าคะไม่น่บลดกิเลสความเมตตาไม่ไปจอบผิดคนไม่ไปความผิดของคนอื่นเราดูแต่ความผิดของเราดีกว่าความผิดของเนอื่นมันไม่ได้ทําให้เราผิดเรื่องเรื่องดีขึ้น ถ้าเราวงความผิดของเราได้เราจะทำให้เราดีขึ้นแ่เพาะเราจะได้แค่ถ้าเรห็นว่าทํายังไม่ถูกเราจะได้แค่นะฮะอย่างถ้าจะดูจะถ้าจะจับผิดจับผิดตัวเราดีกว่าอย่าไปจับผิดคนคุณสุขทุกข์อยู่ที่ใจครับเสียเงินไปกับหุ้นมากมายในสองเดือนนอกจากคิดว่ามีลาบย่อมเสื่อมลาบแล้วมีหลักธรรมอื่นบ้างไหมครับเพื่อจะเยียวยาใจบ้างครับก็มันเป็นน่าหน้าตายแล้วกัน ไม่มีอะไรเป็นของเราวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องสูญเสียมันไปเรามาตัวปวล่าเปล่าก็เดี๋ยวเราก็ไปตัวปล่าเปล่ามาเฉทีระดับหนึ่ ง, ขงเขาเล่านะตายไปก็เอไปไม่ได้แม้แต่บานเดียวใช่รับ <ฮะ S 1> เราลืมกันให้ท่องคาถานี้ไว้มาตัวเปล่าเปล่าแล้วก็ไปตัวปล่าเปล่าไม่มีไม่มีใครออะไรไปได้เขาในโลกนี้ต้องอยู่ในโลกนี้ต่อไป สิ่งที่เราเอาตึดตัวไปได้ก็บาป ก, กับบุญที่เราทำแล้วครับคุณกมลชนกครับใช้วิธีการนอนทำสมาธิดูลมหายใจแล้วหลับไปได้หรือไม่เจ้าคะได้งไงได้หลับไม่ได้สมาธิคุณนางพยาครับโยมบริการพุทโธ ท, ทุกอิริยาบถจนเป็นพุทโธอัตโนมัติ เมื่อสภาวะภายนอกมากระทบจะทำให้สงบและไม่กระวนกระวายตามสภาวะเหล่านั้นและมองดูการเปลี่ยนแปลงไปของแต่ละสภาวะและแก้ไขตามสมควรโดยไม่ร้อนรนจนเสร็จสิ้นแต่ละปัญหาที่มากระทบในชีวิตเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะถูกต้องแนละ้วท้ได้คุณ cool ครูบอยครับจะทำบุญยังไงถึงจะได้เกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนามีศรัทธาและเจอครูอาจารย์ที่ดีครับ คือเรื่องไปเกิดจากพทศาสนานี่เราเป็นกำหนดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ น, นานจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งมันนี้มันมีเหตุมีปัจจัยของศาสานาเองแล้วการที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์มันก็มีเหตุมีปัจจัยของมันทําได้ก็คือทําทานรักษาสีาวนาไปเพื่อที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีที่พร้อมที่จะรับคําสอนคําสอนของพระพุทธศาสานาถ้าเกิดเราไปเจอเข้า ดีว่าพวกที่ไม่มีศรัทธาถึงแม้มาเจอพระพุทธศาสนาก็ไม่มีศรัทธาไม่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาเข้าหาก็ไม่ได้รับประโยชน์ใดจากการที่ได้มาเกิดได้มาเจอพระพุทธศาสนาอย่างนี้ทำตามที่พระเจ้าสอนตอนนี้ทําทามนักษาสิ่ภาวนาไปแล้วโอกาสที่จะกลับมาเป็นมนุษย์นึนก็จะมีมีบ่อยมีมากเพราะไม่ต้องไปใช้ใช้บาปใช้กรรมแนบบ า, ายน แล้วเมืนอธรรมมาเกิดแล้วได้มาเจอพระพุทธศาสนาก็จะมีศรัทธาขึ้นมาทันทีเพราะศาสนาผู้สอนให้เราทําในสิ่งที่เรากาำลังทําอยู่นะเราจะททานนักษาสิ่งนอนพอเราไปเจอคําสอนแบบนี้มันก็ถูกใจเราสิเข้าทางเราเลยคุณเพชรบุรีครับก่อนมีพระพุทธเจ้าพระองค์แรกอุบัติขึ้นเพื่อมาสอนพระนิพพานให้ดับการเกิดอยากเรียนถามว่าจิต วิญญาณของพวกเราเข้ามาปรากฏเกิดบนโลกใบนี้จากไหนกันครับพระเจ้ายังทำยังตอบคำถามนี้ไม่ได้พะเจไม่รู้ว่าจิตมาเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่พยายามจะย้ยอนเราลึกชาติกลับไปนานเท่าไหร่ก็ยังไม่เจอต้นตอของการเกิดของจิตก็เลยเสียเวลาประเด็นไม่ใช่อยู่ที่ตรงว่าเกิดจิตเกิดขึ้นมาได้เมื่อไหร่ ประเด็นอยู่ว่าจิตมีความสุขหรือมีความทุกข์ถ้ามีความทุกข์แก้ความทุกข์ที่ได้อย่างไรอนนี้เป็นเคาร่านกายเนี่ยร่างกายมันจะเกิดมาจากใครจากพ่อจากแม่คนไหนหมอไม่สนใจใช่ไหมแต่ละคนไข้มาหาเี่ยหมอดูดังในอย่างเดียวก็คือว่าร่างกายเจ็บไข้ได้ปวดที่ยรงไหนแล้วจะทํางานที่เยอะๆยารักษาร่างกายนี่หายไปได้ประเด็นมัจะไปเกิดที่ไหนเป็นรูปของใครเกิดเมื่อไหรนี่หมอไม่ค่อสนใจอะไรเหมือ น, นกันอ่ะ ใจของเราเราเป็นหมอเราเป็นเจ้าของใจสิ่งที่เราควรจะให้ความสําคัญทําไมแต่ ว, ว่ามันทุกข์แล้มันสุขถ้ามันสุขก็ไม่มีปัญหาอเลยถ้ามันทุกข์ก็ต้องหาวิธีแก้มันให้ได้อย่าไปสนใจว่าไอ้ไอ้ไอใจนี้เกิดมาจากที่ไหนเมื่อไหร่องไรมันไม่ได้เป็นการรู้รู้ว่ามันเกิดเมื่อไหร่ันก็ไม่มาแก้ความทุกข์ใจได้มไม่มาดับความทุกข์ใจนะ มันแก้ตดยที่เป็นปัญหาดีคว่าก็คือความทุกข์ใจคุณครูบอยครับพยายามจะสวดมนต์ภาวนาทุกวันแต่มีในบางวันที่ขี้เกียจภาวนาหรือฟุ้งซ่านมากๆจะทํายังไงดีครับก็เหมือนทํางานอตอนไหนขี้เกียจทํางานก็ไม่ได้อย่เงยๆก็ต้องหักค่าแหละอ่าขี้เกียจ บ, บ่อยๆเขาก็จะทําให้เราตกงานและเราออกจากงาน การภาวนาก็เหมือนกันถ้าไม่ภาวนาก็จะไม่ได้ผลจากการภาวนาเรามาถาตัวเราเราต้องการอะไรตอกการผลหรือไม่ถ้าต้องกาผลไม่ต้องขยันภาวนาถ้เกียขติเกียรภาวนาก็จะไม่ได้ผลจา ก, กาานาั้นคุณเปียครับหลังจากเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วดูลมหายใจยืนดูธรรมชาติรอบตัวความรู้สึกตัวเราไม่มีเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรคะและต้องปฏิบัติอย่างไรต่อคะก็พยายามมันรู้สึกนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดจากอะไรไม่สำคัญถ้ามันเกิดแล้วก็ให้เราถ้ารู้ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีก็รักษาเอาไว้เอามาเตือนใจว่าไม่มีตัวตนทู้อย่างเปนธรรมชาติร่างกายก็เป็นส่วนของธรรมชาติคุณอภิดีครับป้าเพิ่งเสียชีวิตวันนี้ค่ะ ก่อนเสียป้าไม่รู้สติลืมตาแต่ไม่สามารถทำตามคำสั่งหมอได้แขนขาก็ไม่ขยับจนในที่สุดความดันตกและหายใจแผ่วลงจนหมดลมแบบนี้คือก่อนเสียแม้ไม่ได้สติจิตยังทำงานหรือไม่คะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราไ ม, ไม่ไม่สนใจด้วยจะเป็นางานไม่ไดเ่องของเราสนใจเรื่องของเราสิจ้เวเราจะตายแล้วรักษาใจของเราให้เป็นปกติดได้ปะ ไม่ให้หรอกไม่ใหเลยได้อ้าถ้าไม่มั่นใจก็รือจังดสติให้ลงมาฝึกสติให้ลงมาครับวันนี้ได้ตอบคําถามครบเลยครับอาจารย์นะวันนี้คําถามมีคำถาีคนนี้น่าสนใจครับปอะการสาธุพระอาจารย์ค่ะฟังการแสดงธรรมจนดีขึ้นจากโรคแพนมิกครับอยากหายมากที่สุดเลยค่ะฟังธรรมพระอาจารย์นะครับ น่าจะหมดแล้วครับอาจารย์ครับออมีอีกคำถามหนึ่งครับอาจารย์คุณพัศระเมื่อเวลาประมาณเก้าโมงเช้าวันนี้เกิดความรู้ว่าเพราะยินดีในทุกจึงไม่พ้นจากทุกคือยินดีในสิ่งที่เป็นทุกข์ัาต่ไม่มีใครยินดีในทุกข์กันแต่ยินดีในสิ่งที่เป็นทุขยินดีกับการเกิดนั่นเองยินดีกับ ความสุขที่ได้จากรูปเสียิกิจ ก, ก็ต่าับมันเป็นทำให้เราไม่พ้นจากทุกเสิเพราะสิ่งที่เรายินดีมันเป็นบรทุกเพยียะแต่ว่ามันซ่อนอยู่ภายใต้ความสุขที่บางบาทเหมือนกับยาคมที่ซ่อนอยู่กับน้ำตาลที่เพื่อนผิวอยู่เรกบางบาทนันครับครับอาจารย์ครับวันนี้มีคนฟังทำใน Facebook 100เฟ c บุ๊ o หนึ่งร้อยสี่ร้อยเจ็ดสิบหกคน ในยู u ูบ460ในยูทูบ630คนในข่าวพัล17คนทั้งหมด 1,123 คนครับอาจารย์ครับนี้นอยหน่อยนะเพราะว่าอาจจะเป็นเวลาที่ใหม่ที่ใหม่ที่บคนอาจจะไม่รู้ก็ได้ครับเลยไม่ได้ติดตามวันจันทร์หน้าเลยวันหนึ่งนะครับาทารย์ร ค, งงครับทำไมวันหน้าถึงครับไม่ใช่่ที่หน้านนจะเป็นวันจักร์หน้าครับันจันที่10 17อสิบเจ็ดครับผมโอเคถ้าเกิดเราพอสมควรจะเวลาก็ข อ, ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินเนได้ฟังไปพิมพ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าหน่อยครับยิ่งขึ้นไปเจ อ, อสาธุขอลนาะท่านผู้ชมทุมกท่านและทุกน้องไอพีเท่านี้การจดสิ่งทุกอย่าง ปไปไม่มีกระเบีไม่มีกระทำชาวจะได้พบกันอีกครั้นง น, นึ่งในาจยากเอาเจริญก่อนครั บ, รรอรบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ